ถ้าเป็นทางคนไทยเลยเนี่ยจะนับสงกรารว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่หมก็แปลว่าส่งท้ายปีเก่ามันเป็นการต่อต่อกันเนี่ยนะอะไรที่ต่อต่อกันมันมีหลายอย่างใช่ไหมเช่นจุติต่อด้วยปฏิสนธิปีเก่าก็ต่อด้วยปีใหม่เป็นต้นอันนี้ก็ถ้าฟังให้ดีๆเราก็ได้สังเวกวตทุอีกอันหนึ่งซึ่งในช่วงปีใหม่ครั้งนี้เนี่ยนะ พระธรรมที่เอามาฟังกันเอามาเรียนกันก็ถือว่าเป็นพระธรรมพิเศษไม่เหมือนการฟังในช่วงปกติคือปกตินั้นเราจะเอาพระสูตรในมัชฌิมนิกายมาเรียนแต่เฉพาะสงกรานนี้เรียนพระสูตรเช่อคำพีว่อุทานคำพีอุทานที่เราเรียนกันนี้เราจะได้เห็น อัธยาศัยของพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นนะเราจะได้รู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะก็คือการศึกษาเพื่อให้รู้จักพระพุทธคุณรู้จักพระธรรมคุณรู้จักพระสังฆ ค, ลคลุณเมื่อเรารู้จักคุณของพระตนะตรัยมากเท่าไหร่การปฏิบัติของเราทั้งหลายก็จะถึงความเจริญเท่านั้น ซึ่งข้อความในอุทานเนี่ยนะในสูตรที่หนึ่งถือว่าเป็นสูตรหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้มาฟังข้อความในสูตรแรกก่อนนนะแล้วค่อยกล่าวอย่างอื่นต่อไปข้อความในคำพีพระสุตันตปิฎกคุธการนิกายอุทานปฐมโพธิสูตรท่านพระนลได้กล่าวว่า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 ได้สรงมนศิการปฏิจจสมุบาตอันเป็นอนุโลมด้วยดีตลอดปฐมยามแห่งราตรีดังนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้เกิดนนะสิ่งนี้จึงเกิดก็คือเพราะาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะ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 ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งเส้นนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าในการใดแลธรรมะทั้งหลายมาปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ในการนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้แจ้งธรรมะพร้อมด้วยเหตุ ของเราใช้เวลาอ่านนาทีเดียวเนี่ยนะพระพุทธเจ้าใช้เวลาพิจารณาสี่ชั่วโมง น, นะกำลังนึกในใจว่าพระองค์คิดอะไรตั้งสี่ชั่วโมงบอกว่าด้วยมณสิการด้วยดีตลอดปฐมมยามแห่งราตรีก็คือตั้งแต่6โมงเย็นถึงสี่ทุ่มเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็เอามาสแสดงไว้แค่หน้าเสรจเสรจๆใช่ไหมหน้าครึ่งเออถือว่าหน้าเดียวแต่พระองค์ใช้เวลาข่ครวนอยู่สี่ชั่วโมง แล้วก็พระผู้มีพระภาคผู้มีพระปัญญาหาประมาณไม่ได้มีพระปัญญาไม่มีที่สุดใช้เวลาคิดสีชั่วโมงเนี่ยเนื้อหานี่จะขนาดไหนเนอะแต่นี้ที่พระองค์เอามาแสดงก็คือแสดงพอเป็นตัวอย่างให้เราได้ยินได้ฟังมาดูข้อความในอัตถกถากล่าวถึงคำนอบน้อมพระรัตนตรัยก่อนว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมนม ก, การพระโลกกนาต ผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาผู้ถึงฝั่งสาครคือยญายธรรมทรงแสดงธรรมะอันละเอียดลึกซึง้งมีนยะอันวิจิต น, นี่ก็เป็นคำนอบน้อมพระพุทธเจ้ากล่าวถึงพระพุทธคุณโดยย่อ ก, ก่อนคือพระสูตรเนี่ยนะพระสูตรนี้พระคุณของพระพุทธเจ้าสองประการเป็นประธานในการแสดงคือพระ กรุณาที่คุณกับพระปัญญาที่คุณเนี่ยนะพระคุณสองประการนี้เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าแสดงพระสูตรถ้าพระวินัยี้เธอว่าพระกรุณาคุณเป็นหลักเนี่ยนะกรุณาเนี่ยเป็นประธานในการบัญญัติพระวินัยพระพิธรรมนั้นมีพระปัญญานี่เป็นประธานในการแสดงส่วนพระสูตรพระพุทธเจ้าอาศัยพระมหากรุณากับพระปัญญานี้เป็นเหตุ พระองค์เนี่ยนะถ้าดูตามคำเนี่ยบอกว่าพระโลกก น, นาตพระโลกกนาตนาถนาตตัวนั้นนาถานี่แปลว่าที่พึ่งของสัตว์ตะวะโลกที่พึ่งของหมู่สัตว์โลกผู้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารทุกข์เนี่ยนะถามว่าพระองค์นี้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่พระองค์เริ่มบำเพ็ญพุทธะผทธ การะธรรมเนี่ยนะธรรมที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เริ่มบําเพ็ญพุทธการะธรรมหรือบําเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสงเคราะห์สัตว์โลกพระองค์ก็ชื่อว่าเป็นที่พึ่งของโลกเนี่ยนะหน้าคิดที่บอกว่าพระองค์เนี่ยบำเพ็ญพุทธการะธรรมบําเพ็ญธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นที่พึ่งของโลกเนี่ยพระองค์ทําอย่างไร สิ่งที่พระองค์รมเนี่ยนะทที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเรารู้กันอยู่แล้วคือบารมีสิบประการใช่ไหบารมีสิบอุปปารมีสิบมหาบริจกักหอธิฐานธรรมสี่เป็นต้นเนี่ยคุณธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ช่วยสัตว์ไม่ได้ช่วยสงเคราะห์ผู้อื่นไม่ได้ก็ต้องบาเพ็ญธรรมะที่ทาให้เป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านั้นมีอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าพระธรรมราชาพระธรรมราชาเนี่ยน ะ, ะผู้ที่เป็นพระราชาทําไมเขาจึงเรียกว่าราชา <Yeah. S 1> เพราะว่าเป็นคนที่พรั่งพร้อมด้วยอิสรยศ น, นะด้วยอํานาจด้วยทรัพสมบัติเป็นต้นเนี่ยนะบุคคลนั้นจึงเรียกว่าพระราชาพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมราชาพระองค์นี้เป็นเจ้าของแห่งธรรมเป็นผู้ร่ํารวยไปด้วยธรรมะ กว่าท่านจะมั่งมีได้ขนาดนั้นน่ะท่านทํำยังไงมาใช่ไหมท่านก็ให้ทานท่านก็รักษาศีลเจริเนฆะคัมมะอบรมปัญญาผาาเพียรด้วยวิริยะมีขันติเนี่ยนะมีความอดทนมีจิตใจที่ตั้งมั่นแล้วก็มีคําพูดที่เป็นสัจจะจริงเป็นคําพูดที่เป็นคําจริงทําทุกอย่างทําด้วยความตั้งใจมั่น เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแต่ก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อความผูกพันแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เหล่าสัตว์จริงๆอย่างการให้ทานของพระองค์เนี่ยอย่างในจริยาปิดดกถึกล่าวว่าเข้าของทั้งหลายท่านก็ไม่ได้รังเกียจไม่ได้ชิงชังสมมติว่าใครที่จะให้ทานเนี่ยนะเกลียดทานไหมเกลียดสมมติว่าอ้าอย่างวันนี้หลายท่านเอาดอกไม้มาถวายพระเป็นต้นเนี่ยนะ ดอกไม้เหล่านี้น่ารังเกียจหรืออย่างไรจึงได้เอามาถวายจึงได้เอามาให้ทานจึงได้เอาไปทาพุทธบูชาบอกไม่ใช่แต่ทำไมล่ะเพราะประสงค์บุญ น, นะประสงค์ที่จะบูชาพระคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงได้กระทำสิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระองค์ไม่ได้รังเกียจวัตถุทานที่พระองค์ให้เลยไม่ได้รังเกียจข้าวน้าผ้าดอกไม้ยดยานพาหนะ ของหอมประทีปโคมไฟที่อยู่ที่อาศัยไม่ได้รังเกียจในจีวรอาหารไม่ได้รังเกียจในเสนาสนะไม่ได้รังเกียจในโยกยาไม่ได้รังเกียจในรูปเสียงเกลี่อนรถโพธะพระธรรมรมทั้งหลายที่เป็นวัตถุทานเลยจะเรียกว่าเป็นคนไม่สังสมก็ไม่ใช่ก็ต้องการสังสมก็แปลว่าอยากได้เหมือนกันแต่ทาไมท่านจึงให้ทานพระบอกว่าท่านรัก บารมีรักโพธิญาณมากกว่ า, าคือรักคุณธรรมคือการตรัสรู้มากกว่าปรารถนาเป็นพระธรรมราช า, าเหมือนกับใครที่เอาเข้าของไปลงทุนเนี่ยนะถามว่าเขาไม่เสียดายต้นทุนหรื อ, อยังไงจึงจึงเอาทรัพย์สินทั้งหลายไปลงทุนทําอะไรโดยประการต่างๆ ก, ก็ไม่ใช่ไม่เสียดายแต่เห็นผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนมากกว่าฉันใด พระพุทธเจ้าให้ทานเป็นต้นพระองค์ก็ไม่ใช่ไม่ไม่รักไม่ยินดีในวัตถุเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นที่รังเกียจของพระองค์แต่เพราะความที่พระองค์นี้รักรักโพธิยานแปลว่ารักสัพพัญยุตยานรักอนาวรณยานรักมหากรุณาสมาบัติยานรักยมกะปาิหาริยยานยักษรักอาสยานุสยายานเป็นต้น และอินริยาโปรโปริยตัตยานทศพลยานพระองค์นี้ปรารถนาคุณธรรมคือความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงยอมสละไปทั้งหมดพระองค์ก็ตรัสว่าบุตรภริยาเนี่ยนะอย่างท่าที่เป็นพระเวสสันดรใช่ไหมท่านให้บุตรภริยาท่านบอกว่าบุตรภริยาไม่เป็นที่รักของท่านก็หามไม่คือท่านก็รักเสมอด้วยชีวิตของท่านแต่ท่านก็ต้องให้เพราะปรารถนาโพธิญาณนานะบางชาติก็ควักดวงตาให้ ท่านก็บอกว่าไม่ใช่ท่านเกลียดดวงตานะไม่ใช่ท่านชิงชังแบบตาเป็นโรคแล้วจะต้องผ่าทิ้งอ่ะนะไม่ใช่เป็นตาที่ดีเป็นตาที่มีคุณภาพแต่ก็บริจาคดวงตาเพื่อพุทธจักสุเนี่ยนะตานี้ก็รักแต่ว่ารักพุทธจักสุมากกว่าคือรักตาที่เป็นดวงตาของพระพุทธเจ้าที่สามารถช่วยสรรพสัตว์ได้พระองค์ก็เลยบริจาคดวงตาเหล่านั้นไปแม้กระทั่งว่า มีอยู่บางชาติเนี่ยนะพ่อแม่นี่มาอ้อนบอนท่านก็บอกว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นที่ชิงชังของท่านเลยราชสมบัติก็ไม่ได้เป็นที่ชิงชังของท่านแต่ทำไมท่านไม่เอาใจพ่อแม่ท่านไม่ครองราชสมบัติท่านก็บอกว่าท่านรักโพธิญาณมากกว่าท่านบำเพ็ญคุณธรรมเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นอ่ะท่านเป็นผู้ที่รวบรวมสะสม อ่ะนะถ้าพูดแบบชาวโลกเขาเรียกสะสมทรัพย์อ่ะนะแต่ น, นี้สะสมอริยทรัพย์เมื่อพระองค์สะสมอริยทรัพย์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าทรัพย์ที่พระองค์สะสมเนี่ยไม่ใช่มหาพูทธรูปอ่ะนะหมู่สัตว์ในโลกนี้สะสมมหาพูทธรูปแต่พระพุทธเจ้าสั่งสมอริยทรัพย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าสั่งสมทานเนี่ยนะผู้ที่จะให้ทานได้ก็เพราะมีศรัทธาก็เนื่องจากพระองค์นี้สะสมทรัพย์คือศรัทธา พระองค์นี้มีศีลและบารมีก็เนื่องจากพระองค์นี้มีหิริโอตตะปะนะพระองค์สะสมทรัพย์คือศีลสะสมทรัพย์คือหิริโอตตะปะพระองค์นี้เป็นผู้ที่ภาพเพียรเรียนรู้ว่าที่ใดเป็นอาหารแห่งปัญญาท่านฝักฝ่ายในเรื่องสติปัญญามากที่ใดเป็นเหตุให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจท่านจะไปเที่ยวสแสวงหาเพื่อให้เกิดปัญญาอันนั้นเป็นการสั่งสมปัญญาปัญญาก็เป็นทรัพย์ ในการที่จะได้ทรัพย์คือปัญญาก็ต้องอาศัยการฟังมากการคบสัต บ, บุรุษเป็นต้นสะสมคุณงามความดีกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่สั่งสมอย่างนี้เนี่ยนะตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยรวบรวมรวบรวมสเบียง น, น, นะนะสเบียงตัวนี้รวบรวมทรัพย์อันนี้เนี่ยนะกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าทําด้วยความเหน็ดเหนื่อยทําด้วยความทุกข์ยากทําด้วยความลําบากทําด้วยความ ทุกจริงๆว่างั้นเถอะทุกแค่ไหนก็ใครอ่านชาดกเป็นต้นเนี่ยจะรู้เลยทุกถึงขนาดบางครั้งก็ถูกเข็นถูกฆ่าบางครั้งก็ต้องตกนรกเพราะอะไรเพราะท่านต้องบำเพ็ญบารมีเนี่ยน ะ, ะบำเพ็ญทานในถ้ำกลางคนต์นีรักษาศีลในถ้ำกลางคนชั่วออกต้องออกในยามที่คนต้องการเนี่ยนะต้องเจริญปัญญาในยามที่หมู่สัตว์ลุ่มหลง จะต้องเจริญความเพียรในท่ามกลางหมู่สัตว์ที่เกียดคร้านจะต้องมีความอดทนในท่ามกลางหมู่สัตว์ที่ไม่มีความอดทนท่านจะต้องบำเพ็ญปัญญาในท่ามกลางมิจฉาทิฐิท่านจะต้องเจริญคุณงามความดีด้วยความทุกข์ยากลำบากจริงๆกว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทำเช่นนั้นก็เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเย ถ้าตรงๆก็คือเพื่อพวกเราทั้งหลายนั่นแหละพระองค์จึงทรงบำเพ็ญบารมีแต่ใจของพระองค์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งพระองค์ต้องการเกื้อกูลแก่สัตว์โลกเนี่ยนะเลยใช้คำว่าโลกกันนาคือที่พึ่งของสัตว์โลกพระองค์เนี่ยมองสัตว์โลกทั้งหมดเหมือนกับบุตรของพระองค์นั่นแหละที่เห็นเขาทุกข์เขายากเขาํำบากปรารถนาที่จะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ แล้วพระองค์ก็ได้ทํากิจอันนั้นจริงๆพระองค์จึงเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแปลว่าผู้กรือขนสัตว์ให้พ้นจากกันดานาศาสดาเนี่ยนะแปลว่าผู้สอนก็ได้แปลว่าคนที่พาออกจากกันดานกันดานพราะชาติชรามรณะก็ได้อย่างสมัยนี้ถือว่าบางแห่งเนี่ยถือว่าเป็นกรลียุคไปเรียบร้อยแล้วเนีย มีการเข็นมีการฆ่ามีการปล้นมีการโกงมีการทุศีลได้อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีฮีโอตปะหลงเหลืออยู่เลยชีวิตคล้ายๆแพะแกะไก่สุกรเนี่ยนะคล้ายๆกับหมูสัตว์ที่ที่พร้อมที่จะล้างพร้อมที่จะพลานพร้อมที่จะเข็นพร้อมที่จะฆ่าแล้วก็ผู้นำหลายคนก็นำประเทศชาติเพื่อสู่จุดนั้น ถ้าหากว่าเรานึกอย่างนี้ก็มาเห็นพระพุทธเจ้านี่ตรงกันข้ามกับบุคคลเหล่านี้เลยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พาหมูสัตว์ให้ออกจากชาติชรามรณะพระองค์นี้พาหมูสัตว์ออกจากกันดานในวัตะออกจากความเดือดร้อนในวัตะัพระองค์แสดงธรรมเพื่อให้หมูสัตว์เนี่ยพ้นจากสังสารทุกข์ในวัตะที่พระองค์ทำอย่างนั้นเนี่ยนะด้วยกรุณาจริงๆที่ประสงค์จะบาบัดความทุกข์ให้แก่ หมูสัตว์ทั้งหลายเพราะความที่พระองค์นี้มีกรุณาทบทวนคําว่าการุณานิดหนึ่งนะกรุณาคือความคิดบําบัดความทุกแก่สัตว์อื่นเห็นผู้อื่นได้รับความทุกขต้องการนำนำความทุกเหล่านั้นออกไปถ้าเมตตาก็คือเพิ่มความสุขให้แก่เขา น, นะไปอุดหนุนเพิ่มพูนความสุขเพิ่มพูนประโยชน์เพิ่มพูนความ ความสุขนะความไม่มีเวรความปลอดภัยให้แก่เขาถ้ากรุณาก็ต้องการกำจัดตัวความทุกข์ออกไปพระองค์นี้เนื่องจากพระองค์มีเมตตาพระองค์จึงมีกรุณาต้องการให้เขาได้รับประโยชน์พระองค์จึงกำจัดสิ่งที่เป็นโทษแก่เขาออกไปพระองค์นั้นด้วยพระมหากรุณาเนี่ยกระตุ้นเตือนปรารถนาะจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์พระองค์ก็บาเพ็ญบารมีจนถึงฝั่งสาครคือญายธรรม ถึงฝั่งและจบเรียกว่าจบเป็นคนที่จบจริงๆถึงฝั่งเนี่ยนะถึงฝั่งสาครคือญาตธรรมปกติคําว่าญาตธรรมเนี่ยเป็นชื่อของสังขารอะไรบ้างสังขารวิการบัญญัติลักษณะรูปและนิพพานมีอยู่5อย่างสังขารวิการลักษณะรูปบัญญัติและพระนิพพานเรียกว่าญาตธรรม พระองค์เนี่ยถึงฝั่งแปลง่ายๆว่ารู้สรรพสิ่งรู้ทั้งอดีตโดยไม่มีส่วนเหลือรู้อนาคตโดยไม่มีส่วนเหลือรู้ปัจจุบันรู้บัญญัติรู้ปรมัติรู้สังคตะอสังคตะรู้ทุกอย่างไม่มีเหลืออันน้คือถึงฝั่งของปัญญาที่แท้จริง <c oughs> ขณะเดียวกันที่พระองค์ถึงฝั่งอย่างนี้เนี่ยคำว่าถึงฝั่งเนี่ย ถึงฟังด้วยปริญญาถึงฝั่งด้วยการละถึงฝั่งด้วยการทําให้แจ้งแล้วก็ถึงฝั่งด้วยการเจริญกิจอันใดที่พระพุทธเจ้าพึงบําเพ็ญกิจเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทําเสร็จแล้วเมื่อพระองค์เนี่ยต้นเหตุคือพระองค์บําเพ็ญกรุณาบําเพ็ญบารมีจึงได้พระปรรัญญาตรัสรู้รำเป็นที่สงบทุกขตรัสรู้ทำเป็นที่ดับทุกขถึงฝั่งของปัญญาอย่างแท้จริงเป็นผู้ที่ เป็นผู้เลิศที่สุดแล้วอาศัยการุณานั่นแหละกระตุ้นเตือนทำให้พระองค์แสดงธรรมที่ละเอียดลึกซึง้งแล้วเป็นพระธรรมที่มีนัยยะที่วิจิตรพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึง้งแล้วก็เป็นธรรมที่ทวนกระแสโลกเป็นธรรมที่ขัดกับความคิดของหมูสัตว์โดยมากคิดเอาแบบห ย, ยาบๆก่อนนะหมูสัตว์ยินดีที่จะโกรธใช่ไหม พระพุทธเจ้าสอนธรรมเพื่อไม่โกรธนะแล้วบอกข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดความโกรธโดยประการต่างๆมูสัตว์นั้นยินดีที่จะโลภเพลิดเพลินในความโลภชื่นชมในตัณหามาณนะและทิฏฐิคําสอนสอ น, สอนตรงกันข้ามมาเลยสอนเพื่อความไม่โลภเนี่ยนะสอนเพื่อกําจัดความโลภสอนเพื่อกําจัดมานะสอนเพื่อกําจัดทิฏฐิมู่สัตว์ทั้งหลายยินดีในความลุ่มหลง ชอบชอบชอบหลงมากนะหรือว่าพูดภาษาไทยหน่อยว่าชอบโง่มากไม่ค่อยอยากรู้อะไรที่มันลึกๆยากๆไม่อยากรู้จริงๆนะไม่ต้องเล่าให้ฟังได้ไหมอย่างงี้ยนะอาจอาจะพ่อเรื่องละเอียดละเอียดลึกๆเนี่ยไม่ต้องการรับรู้อันนี้ประกาศถึงลักษณะยินดีในความลุ่มหลงคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนเพื่อความไม่ลุ่มไม่หลงสอนเพื่อให้มีสติปัญญาเพราะหมู่สัตว์ไม่ต้องการมีปัญญา แต่พระองค์ก็ต้องสอนเพื่อให้เขาเกิดปัญญาเนี่ยนะั้นอันนี้ก็เป็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บำเพ็ญกิจเหล่านั้นด้วยความเหนื่อยยากจริงๆถ้าตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านสบายแล้วไม่น่าสงสารสักเท่าไหร่เนี่ยนะถ้าพูดแบบภาษาหนึ่งท่านท่านน่ายินดีด้วยจริงๆควรเคารพสักการะกราบไหว้แต่ถ้าเราระลึกถึงตอนที่ท่านบำเพ็ญบารมีนี่สิ จะเห็นว่าท่านก็ยังมีกิเลสเช่นกับเรานี่แหละท่านก็ยังโลภยังโกรธยังหลงแต่ว่าท่านจะต้องบำเพ็ญกุศลอย่างหาที่สุดไม่ได้เพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จก็เที่ยวสงเคราะห์อนุเคราะห์เวนยศัตร์ทั้งหลายเนี่ยนะแต่ธรรมะที่พระองค์สอนเนี่ยเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งอย่างแท้จริงอันนี้เป็นคานอบน้อมน้ส ก, การพระพุทธคุณ โดยย่อโดยย่อตรงนี้ยกมาสองประการคือพระกรุณาคุณกับพระปัญญาคุณ ข, ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมน้มสการพระธรรมอันสูงสุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้ว อ, อันเป็นเหตุนำสัตว์ผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะออกจากโลก น, นะคำนอบน้อมพระธรรมนะพระธรรมที่สูงสุดคืออะไรคือมร นิพพานนี่คือธรรมะที่สูงสุดที่เป็นโลกุตรธรรมธรรมะที่สูงสุดอันนี้เนี่ยจะต้องอาศัยคาสอนที่สูงสุดชีนะบอกกล่าวอันนั้นคือปริยติธรรมพระพุทธเจ้านั้นเป็ น, ปนผู้ที่บูชาปริยตเป็น ผ, ผู้ที่บูชาอรยมกักบูชาอริยผลและบูชาพระนิพพานพระพุทธเจ้าเนี่ยใครอยากคิดนะว่าพระองค์ไม่บูชาปริยต เพราะพระองค์นี่เวลาแสดงธรรมพระองค์ก็แสดงธรรมด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าก็ฟังธรรมด้วยความเคารพพระนันทกะเนี่ยแสดงธรรมพระพุทธเจ้ายืนฟังทั้งคืนเนี่ยนะยืนฟังทั้งคืนเนี่ยนะพระองค์ถือว่าเป็นสุคุมารชาติยืนฟังธรรมทั้งคืนเนี่ยพระองค์ทําได้อย่างไรพระองค์นี่เคารพปริยัติเคารพอริยมรรคเคารพอริยผลซึ่งถ้าเรียนอุทานไปเรื่อยๆจะเห็นว่าพระองค์เป็นผู้ที่เคารพพระธรรมจริงๆ เป็นผู้ที่บูชาพระธรรมยกย่องพระธรรมสรเนเสริญพระธรรมโดยเฉพาะสรนเส ร, ริญคำว่าธรรมเนี่ยอะธรรมนี่ไม่จําเป็นจะต้องพูดถึงใช่ไหมหมายถึงสรรเส ร, ริญกุศลธรรมโดยเฉพาะสรรเส ร, ริญอริยมรรคเป็นตน้นเมื่อพระองค์สันเส ร, ริญอริยมรรคอ ร, ริยมรรคคืออะไรก็คือความประชมแห่งศีลสมาธิและปัญญาพระองค์ ส, สรรเสริญศีลพระองค์สรรเสริญสมาธิและปัญญาพระองค์บูชาศีลบูชา สมาธิบูชาปัญญาเคารพ บ, บูชาจริงๆธรรมะอันนี้ที่ที่พระองค์บูชาเนี่ยนะทำไมพระองค์จึงบูชาถ้าตั้งคำถามว่าทำไมพระองค์จึงบูชาพระธรรมที่สูงสุดเหล่านั้นละ่ะเพราะเป็นธรรมะที่เป็นเหตุนำสัตว์ออกจากโลกเพราะหมู่สัตว์ทั้งหลายเมื่อไม่รู้ปริยัติ ไม่รู้ปริยัตินี่คือตัวที่บอกข้อปฏิบัติเมื่อไม่รู้จักปริยัติที่เป็นข้อปฏิบัติเขาจะบรรลุอริยมรรคอริยผลได้อย่างไรเพราะอริยมรรคอริยผลนิพพานเป็นธรรมที่นำออกจากทุกเนี่ยนะพระองค์จึงบูชาคือพระพุทธเจ้าไม่ได้สันเสริญกองทุกพระพุทธเจ้าสันเสริญการออกจากทุกไอการออกจากทุกได้ถ้าไม่มีข้อปฏิบัติก็ไม่สามารถออกจากทุกได้ พระองค์จึงบูชาชื่นชมสการะคําสอนที่นําออกจากทุกขข้อปฏิบัติที่นําออกจากทุกกุโสโธรรมทั้งหลายที่นําออกจากทุกเนี่ยพระองค์จึงบูชาแต่ผู้ที่จะออกจากทุกได้เนี่ยจะต้องมีวิชาและจรณนะวิชาคิดง่ายๆก็วิชาที่รู้อดีตวิชาที่รู้อนาคตรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตและก็วิชาที่รู้อริยสัจอันนี้เรียกว่าวิชา แล้วจารณะล่ะจรณะก็คือต้องมีเศียมีอินทรีสังวรมีโภชเนมตันยุตามีชาครยานุโยกนะมีศรัทธามีฮิริโอตปะมีสุตะมีวิริยะมีสติมีปัญญาแล้วก็มีอุปจาระสมาธิมีอัปปนาสมาธิอันนี้เรียกว่าจารณะผู้ที่ดำรงอยู่ในข้อปฏิบัติคือวิชาและจารณะบางแห่งเนี่ย ยกง่ายๆว่าวิชาคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะองค์มรรคที่เหลือคือจรณะเนี่ยนะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นจรณะเป็นความประพฤตเพราะผู้ที่ประพฤติอยู่ในคุณธรรมเหล่านี้นาออกจากโลกนำออกจากทุกโดยส่วนเดียวนี่นะ ตอนที่เรานั่งอยู่ในบรรยากาศที่เย็นสบายแบบนี้เนี่ยนะทกุก็ไม่น่าออกสัต์เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าไปเห็นในบ้านเมืองที่มีสงครามเนี่ยนะแมเห็นโทษของการเกิดเลยเห็นโทษของการเกิดเห็นโทษของการเวียนว่ายอยู่ในสังสารทุกข์อยากคิดนะว่าที่ใดไม่นำไปสู่จุดเหล่านั้นแห่งหนตำบลใดที่ไม่นำไปสู่ยุคมิกสัยีความรู้สึกนึกคิดประดุดเดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยนะนั้นหมูสัตว์เนี่ย ถ้าไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ออกจากทุกเนี่ยในที่สุดก็ต้องโครจรไปสู่จุดนั้นจนได้แต่ก็ถือว่าอย่างดีดีกว่าไลไปสู่นรกอีกเนี่ยนะนรกเนี่ยมันหนักกว่านั้นอีกเป็นพันล้านเท่ามันถ้าผู้ที่ตรัสรู้ธรรมะโดยเฉพาะตรัสรู้อริยมรรคอริยผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติคือสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะก็นาออกจากทุกได้นั้นพระธรรมอันนี้เน้น สัจจะอะไรเน้นสองสัจจะนะพระธรรมเน้นนิโรสัจจะกับมัคสัจจะทุคสัจจะต้องไหมไม่ต้องเพราะเราไม่แห้งแล้งเลยสมุทัยสัจจะก็ไม่กันดานบริบูรณ์เต็มเปี่ยมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคําที่ว่าธรรมะที่สูงสุดหมายถึงนิโรสัจจะกับมัคสัจจะแต่ทุคสัจจะต้องมีปัญญาเข้าไปรอบรู้สมุทัยสัจก็ต้องมีปัญญาเข้าไปละส่วนมัคสัจต้องเจริญ ทำให้บริบูรณ์ท่นี้มรรคสัจจะนั้นอะ่ะก็คือความประชมแห่งโพธิปัจจะธรรม37ประการจะต้องประชมโพธิปัจจะธรรมให้พร้อมถ้าประชมไม่พร้อมตรัสรโ้ไม่ได้ในบรรดาอริยสัจทั้ง4เนี่ยนะมรรคสัจเนี่ยคือคุณธรรมพิเศษที่จะต้องทําให้มีขึ้นที่จะต้องเจริญเนี่ยนะเจริญจนจนพร้อมที่จะออกจากโลกอย่างแท้จริง ถ้ามกษัตริย์จะไม่เพียบพร้อมออกจากโลกไม่ได้ออกจากทุกข์ไม่ได้นี่มาดูผู้ที่ออกจากโลกตามพระพุทธเจ้าได้บอกว่าข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมน้ำมศ ก, การพระอริยสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยศีละคุณเป็นต้นผู้ดำรงอยู่ในมรรคและผลผู้เป็นบุญยเขตอันยอดเยี่ยมอันนี้กนน็เอาบทสังฆคุณมาแสดงโดยย่อนน เพราะผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบเนี่ยนะปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์บุคคลนั้นเนี่ยเป็นปฏิบัติอยู่ด้วยศีลปฏิบัติอยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนานะนสมถะก็คือสมาธิวิปัสสนาก็คือปัญญามีวิมุตต์วิมุตต์ก็คือมรรคและผลนั่นแหละเรียกว่าวิมุตต์สมุทเฉทวิมุตต์กับปฏิปสัสสตที่วิมุตต์เนี่ยนะแล้วก็ท่านิพานคือนิสรณวิมุตต ถาอริยสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยท่านดำรงมั่นอยู่ในคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะความที่ท่านมีคุณธรรมบริบูรณ์เช่นนั้นท่านจึงเป็นบุญญเขตคือเป็นนาบุญที่ยอดเยี่ยมส่วนนาที่ทำแล้วไม่ได้ผลมากไม่มีอนิสงส์มากถ้าเป็นในโลกนี้ก็คือนาที่มีญ้ารกเป็นต้นนาที่มีมีแต่หินมีแต่กรวดมีแต่ทรายนาประเภทนี้พอปลูกแล้วไม่มี ไม่มีผลตผลมากมูสักก็เหมือนกันทานที่ให้แก่ผู้ที่มากไปด้วยราคาชุ่มไปด้วยโทสะเนี่ยนะโง่เขลาไปด้วยโมหะการให้ทานแก่บุคคลเหล่านั้นก็ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากแต่พระสงฆ์ทั้งหลายท่านมีศีลท่านจึิกรรมจัดโทสะท่านมีสมถะท่านจริงกรรมจัด โ, โลภะท่านมีวิปัสสนาท่านจริกําจัดโมหะเมื่อท่านเนี่ยเป็นผู้กําจัดราคากําจัดโทสะกําจัดโมหะ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอะโลภะอโทสะและอโมหะท่านจึงเป็นนาบุญที่สูงสุดยอดเยี่ยมแปลว่าไม่มีนาบุญอื่นจะเสมอเหมือนบุญใดอันเกิดจากการไหว้พระตระนตรายดังกล่าวมานี้ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอันตรายอันเดชแห่งบุญขจัดแล้วในที่ทุกสถาน นี่ก็กล่าวถึงว่าผลแห่งบุญที่เกิดจากการนอบน้อมบูชาพระตนะตรัยเนี่ยเป็นบุญที่สูงสามารถกําจัดอุปัตวะกําจัดอันตรายกําจัดความเสียหายได้มากเพราะอะไรเพราะผู้ที่นอบน้อมพระพุทธเจ้านอบน้อมพระธรรมนอบน้อมพระสงฆ์เนี่ยนะด้วยการเจริญพุทธานุสติธรมมานุสติสังขานุสติขณะนั้นจิตจะไม่ถูกราคะกลุ้มรุมจิตจะไม่ถูก โทสะกลุ่มรุมจิตจะไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมจะเป็นจิตที่ดำเนินไปตรงเป็นจิตที่ดำเนินไปตามพระธรรมดเนินไปตรงจิตก็ตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาใช่เพราะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมมีปัญญาสามารถที่จะรู้อรรถรู้ธรรมะเนี่ย ผู้มีอันตรายอันเดชแห่งบุญขจัดแล้วนะหมายถึงว่าอนุภาพของบุญเนี่ยนะตัสสะอนุภาเวนะตันตระโยด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้เนี่ยอันตรายทั้งมวลจงมีอันสิ้นไปเนี่ยนะอนุภาพแห่งบุญเนี่ยมากำจัดอันตรายอันตรายที่ปกปิดอันตรายที่เปิดเผยอันตรายภายในอันตรายภายนอกและในโลกนี้ที่เต็มไปด้วย อันตรายพานันอนุภาพแห่งบุญกุศลที่เกิดจากการนอบน้อมพระัตนตรัยเนี่ยนะอนุภาพแห่งบุญนั้นจงกำจัดอันตรายเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงนั่นเองพันชีวิตของของเราทั้งหลายเนี่ยนะที่อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายการนอบน้อมพระัตนตรัยเนี่ยนะเป็นเหตุให้ขจัดอันตรายได้ท่านบอกว่าเว้นไว้แต่กรรมมันหนักจริงๆเท่านั้นแหละแต่ถ้าปกติธรรมดาทั่วๆไปแล้ว บุญกุศลที่เกิดจากการนอบน้อมพระัตนตรายนั้นกำจัดอันตรายได้จริงๆพระมหสิสเจ้าผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแสดงอุทานใดด้วยนิทานนั้นโดยอาประทานอันบริสุทธิ์พระธรรมสังฆากาจารย์เมื่อจะยกอุทานทั้งหมดนั้นรวมไว้เป็นหมวดเดียวกันแล้วร้อยกรองให้ชื่อว่าอุทาน อันเป็นเครื่องแสดงความสังเวชและปราโมทในธรรมะของพระชินเจ้าประดับด้วยคาถาซึ่งมีโสมนัติญาณ น, นั้นเป็นสมุทฐานอันนี้กล่าวถึงลักษณะของคำภีที่เราจะเรียนต่อไปพระธรรมที่เราจะฟังต่อไปย้อนกลับมาหาคำว่าพระมห ah ส e ีเจ้าผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยนะพระมห ah ส e ีเจ้านี่คือใครคือผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ คือแสวงหาอะไรสีลคุณสมาธิศีลขันธ์อันใหญ่สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุติขันธ์วิมุติญาณทัศน์ขันธ์อันใหญ่หรือสแสวงหาโพธิปัตยธรรมอันใหญ่นะสติปทานสีอันใหญ่สัมมาปทานอิทิบาตอินทรีย์พละโพชงองค์มัตตลอดจนถึงสแสวงหาพระนิพพานอันใหญ่พระองค์เนี่ยรวมรวมแล้วก็คือสแสวงหามรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยสแสดงอุทาน ด้วยนิทานนั้นนนั้โดยอัปทานอันบริสุทธิ์คือหมายความว่าโดยอัธยาศัยโดยจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าแสดงอุทานออกมาเนี่ยนะอุทานนั้นเน่ยเป็นคําที่เปล่งออกมาทําไมพระพุทธเจ้าจึงอุทานออกมาเหตุผลในที่หนึ่งบอกเพราะความสังเวชสังเวชเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าอุทานออกมา เหตุผล ท, ที่หนึ่งะพระพุทธเจ้าอุทานเพราะความสังเวชแปลภาษาไทยว่าสลดใจอะไรนะถ้าสำนวนชาวบ้านเขาใช้คำว่าเวทนาแหมรู้สึกเวทนาอย่างสุดซึ้งพร า, างั้นก็เลยแปลงออกมาเวทนาเนี่ยภาษาไทยแปลว่ากรุณานะนะคือคือภาษาไทยเนี่เริ่มใช้คำคำไม่ตรงต่อสภาวะอย่างโอ้ยคนนี้มีมานะมากแปลาาว่าเขาชมนะเขาไม่ได้ด่า ถ้าสำนวนชาวบ้านนี้เข้าชมนะว่าแปลว่าคนนี้ขยันจริงๆเร mm. ียกว่ามุมาณะานั้นนะนะมุมานะก็คือเป็นคนที่มีความภาพเพียรพยายามแต่ถ้ามาณะในธรรมะถือว่าความเย่อหยิงความถือตัวคนละในกันนะ mm. นะและคำ ว, ว่าสังเวชนนก็คือความสลดใจ mm. ส่วนปราโมทอ่ปราโมทก็คือปีติอย่างอ่อนเพราะปีติเป็นปัจจัยทำให้พระองค์นี้แปลงแ ป, งป่งอุทานออกมาขณะ ที่เปล่งอุทานเป็นคำพูดเหล่านั้นเนี่ยเป็นคำพูดที่มีโสมนัสยานเป็นสมุทฐานแปลง่ายๆว่าพระองค์เนี่ยเปล่งคำพีอุทานด้วยมหากิริยาญาณสัมปยุตโสมนัสอสังขาริกบ้าง ส, สังขาริกมัง่งตามสมควรคือมหากรุณาเนี่ยนะอขออภัยพระปัญญาที่เกิดร่วมกับมหากิริยาญาณสัมปยุต อสังขาริกและ ส, ะสังขาริกสองดวงเนี่ยนะเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยเปล่งเปล่งอุทานออกมาด้วยอนุภาพของสัพพัญยุตยานเป็นต้นนั่นเองพระเถระที่เรียบเรียงคำพีท่านบอกว่าการกระทำการพันนาอัตถะคือเนื้อความแห่งอุทานนั้นปกตินี่ทาได้ยาก ทำไมทํายากอ่ะเพราะจะต้องใช้ยานปัญญาอันลึกซึ้งอย่างลงนะนะที่จะอธิบายพระสูตรทั้งแปดสิบสูตรได้นี่จะต้องมีปัญญามากท่านก็บอกว่าถึงจะมากอย่างนั้นก็จริงเหตุที่สัตวศาสตร์พร้อมสังวร น, นายังคงอยู่บางแห่งก็บอกว่าอัตกถาเนี่ยเป็นเครื่องช่วยทรงพระาศาสนาเอาไว้ถ้าอัตกถาไม่มีพระาศาสนาก็ทําให้เข้าใจผิดได้ง่าย ขณะเดียวกันคําอธิบายในสมัยนั้นก็ยังมีอยู่การวินิจฉัยของบุรพจารย์ชาวสิงหนก็ยังคงอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจากยึดเอาสัตธุศาสตร์นั้นอย่างลงสู่นิกายทั้งห้าอาศัยนยะอัตกระถาเก่าอันบริสุทธิ์ไม่ปะปนกันยึดเอาลทัทธิของพระมหาเถระผู้อยู่ในมหาวิหารเวนอัฏะที่ซ้ำซซากๆเสียจักแต่งอัตกถาอุทานตามกาลังให้ดี ดังนั้นเมื่อข้าพเจ้าหวังความดำรงมั่นแห่งพระสัทธธรรมดำรงมั่นแห่งปริยัติสัทธธรรมเป็นต้นเนี่ยนะจแนกอัดแห่งอุทานอยู่ขอสาธุชนทั้งหลายจงรับเอาด้วยดีเถิดอันนี้ท่านก็บอกถึงความประสงค์ของท่านและก็บอกถึงผู้ที่ศึกษาทั้งหลายควรตั้งจิตเอาไว้อย่างไร หนังสือเล่มนี้หรือพระไตรปิฎกเล่มนี้ถ้าที่เราเรียนชื่อว่าอุทานอุทานนี้ท่านบอกว่าด้วยอัตถาว่าอะไรทําไมจึงชื่อว่าอุทานในหน้าสีนะหน้าสีดูที่ชื่อว่าอุทานนี้เพราะอัตถาว่าเปล่งออกเปล่งออกที่ชื่อว่าอุทานนี้คืออะไรก็บอกคือการเปล่งเปล่งเสียงเนี่ยนะอันตั้งขึ้นด้วยกําลังของตีตินะแปลว่าเสียงที่เกิดจากความดีใจเหมือนอย่างว่า วัตถุที่จะพึงนับมีน้ํามันเป็นต้นอันใดไม่สามารถจะนับเอาประมาณได้ย่อมไหลไปวัตถุนั้นเรียกว่าอาวสัยกะคือไหลลงอันหนึ่งสายน้ําใดไม่อาจจะขังติดเหมืองท่วมไปสายน้ํานั้นก็เรียกว่าโอคะห่วงน้ําฉันใดเรียกว่ากระแสน้ําที่ห่วงเอ่อนะห่วงน้ําที่ไหลบ่าไหลท่วมไหลทับสิ่งนั้นเรียกว่าห่วงน้ําฉันใดสิ่งใดที่ตั้งขึ้นด้วยกําลังของปีติ แผ่ซ่านไปด้วยกำลังแห่งวิตกไม่สามารถจะดำรงอยู่ภายในหะไทยเอาไว้ได้ก็ฉะ น, นั้นเปล่งออกอันพิเศษนั้นเป็นของยิ่งไม่ตั้งอยู่ภายในออกไปภายนอกทางวาจีทวารไม่ถึงการรับเอาเรียกว่าอุทานแปลว่าโอ้โหสิ่งนั้นนะ น, นะพิเศษจนสามไม่สามารถเก็บเอาไว้ในใจได้เป็นเป็นอะไรที่ไม่สามารถเก็บไว้ในใจได้มันต้องล้นออกมาทาง วาจานะพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นเลยนะเรียกว่าพอได้รับเหตุการณ์อะไรที่พิเศษเนี่ยนะสิ่งนั้นมันยิ่งใหญ่ถึงขนาดต้องล้นออกมาทางวาจาไม่สนใจว่าใครจะรับหรือไม่รับไม่เน้นเอาผู้รับแต่เน้นว่าความรู้ปีติปรามโมทย์อันนั้นนะ่ะมันมีกำลังมากจนไม่สามารถเก็บไว้ในใจจนทะลักออกมาทางวาจาออกมานั่นแหละเรียกว่าอุทานแต่ของคน ท, ทั่วไปเนี่ยนะอาจจะอุทานด้วยอานาจของ โลภะใช่ดีใจอะไรบางอย่างก็โลภะแสดงออกมาแต่พระพุทธเจ้านั้นปีติที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วเปล่งวาจาออกมานั้นคำว่าอุทานนั้นไม่ไม่ประสงค์เอาคนรับเป็นประมาณเนี่ยนะเป็นการเปล่งตามอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าแบบแปลงง่ายๆว่าไม่สนใจว่าใครจะฟังหรือไม่ฟังใครจะรับหรือไม่รับคำอุทานในพระไตรปิฎกเนี่ยนะพูดถึงว่ามีเยอะนะ คำอุทานในพระไตรปิฎกเช่นคำพีอุทานนี้ก็เป็นคำพีที่เกิดจากการเปล่งอุทานของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นบาลีว่าอัตถีพิคเวตทายาตนังยะถะเนวะปฐวีนะอาโปเป็นต้นเนี่ยนะหรือบางแห่งก็บอกว่าสุขากามานิภูตานิโยธันเด น, นะวิหิงสติหรือว่าสเจพายทะทุคสสเจโวทุกขมัพปยังเป็นต้นเนี่ยนะคำเหล่านี้ก็เป็นคำอุทานที่มีอยู่ใน พระไตรปิฎกตามคมภีร์ต่างๆคําอุทานในพระไตรปิฎกเนี่ยนะจริงๆแล้วมีคําอุทานอยู่ของคนห้ากลุ่มด้วยกันของคนห้ากลุ่มที่อุทานออกมา 1. คําอุทานของพระสัพพัญยูพุทธภาสิตคือคําอุทานของพระพุทธเจ้าอย่างที่สองคำอุทานของพระประเจกพระพุทธเจ้าอย่างที่สคําอุทานของสาวก อย่างที่สี่คำอุทานของเทวดามีเท้าสกกะเป็นต้นอย่างที่หก็คือคำคาอุทานของประชาชนทั้งหลายหรือพรามทั้งหลายมีโสนพรามเป็นต้นนะอย่างคาอุทานที่เป็นพุทธภาสิตก็เนี่ยคำพีอุทานอันนี้ชัดถ้าคาอุทานของพระประเจบเช่นท่านอุทานว่าวางอาทญาในสัตว์ทั้งปวงไม่เบียดเบียนสัตว์เหล่านั้นแม้ตนหนึ่ง อันนี้ประกาศถึงความที่เป็นผู้มีเมตามีกรุณาต่อสัตว์นันอุทานถึงเมตตาและกรุณาของท่านที่มีต่อสัตว์อันนี้เป็นคำอุทานแบบย่อของพระประเจกอันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างใครอยากดูก็ดูนะในคัคควิสานสูตรสูตรที่ว่าด้วยเที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวดุดหน่อแรกอันนั้นเป็นคำอุทานของพระประเจกพระพุทธเจ้าส่วนสาวก ภาษิตเนี่ยนะคำอุทานของพระเถระทั้งหลายก็ในเถรคถาไนงะเถรคถาเนี่ยเล่มที่เท่าไหร่นะเล่มห้าสิบห้าห้ามีอยู่สี่เล่มในฉบับเรานะมีอยู่สี่เล่มอันนั้นเป็นคําอุทานของพระเถระยกตัวอย่างว่าราคะทั้งปวงเราละได้แล้วโทสะทั้งปวงเราถอนได้เสียแล้วโมหะทั้งปวงเราขจัดได้แล้วเราเป็นผู้ดับเย็นสนิทแล้วเป็นผู้ดับตัง น, นี้คือแทงตลอด พระนิพพานที่ดับแล้วก็เย็นหมายความว่าไม่มีกิเลสราดรสอีกต่อไปอนะก็คือเป็นผู้ปริณิพานแล้วหรือแม้กระทั่งเทรีคาถาในพระไตรปิฎกเล่มที่54าสนะห้เทรีคาถาท่านก็ยกตัวอย่างว่าเราเป็นผู้สํารวมกายสํารวมวาจาและใจถอนตันหาพร้อมทั้งรากได้เป็นผู้ดับเย็นสนิทแล้ว น, นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ คำอุทานของพระเทรีทั้งหลายสาวกพาสิทธ์ทั้งในเถระคถาเทรีคถาเนี่ยนะก็เล่ม5 0าสถึงห้ก็ดูว่าเป็นคําเป่งอุทานของพระเถระและพระเถรีส่วนคําอุทานของท้าส ก, กัตเท้าส ก, กัตอุทานว่าอาโหทานังประมาทานังกัสเปสุปฏิทิตังเนี่ยนะว่าโอ้ทานเป็นทานอย่างยิ่งที่เราประดิษฐานไว้ดีแล้วในพระมหากัสปะ พ้าส ก, กะดีใจมากที่ได้ได้ไดถวายทานแก่พระมาหากัะสปะเดี๋ยวเราจะเรียนข้างหน้าก็จะมีท่านดีใจจริงๆที่ได้ให้ทานอันนี้คําอุทานของพระเออของเทวดาหรือคําอุทานของมนุษย์มีโซนัทันดพราหมณ์เป็นต้นภาสิทธไว้ว่าคําอุทานเนีะนะโมตสสะภควะโตัวรหัโตสัมมาสัมพุทธสสะเนี่ยต้นเหตุเลยเนี่ยต้นตำํำระบเขาอุทานออกมาของเราก็เลยกลายมาเป็นคํานอบน้อมพระรัตนตรัยไป อุทานทั้งทั้งห้าคือคําอุทานของพระปัจเจกคําอุทานของพระเทระพระเถรีคําอุทานของเทวดาคําอุทานของมนุษย์มีโสโณทันดพรามเป็นต้นไม่เอาไม่เอาในคมภีร์นี้ที่จะเรียนต่อไปไม่ใช่คําอุทานเหล่านั้นมาดูว่าอุทานไหนละ่ะที่ต้องการจะเรียนในที่นี้ก็คือก็พาสิทธ์เหล่าใด ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเฉพาะพระองค์เองเป็นพุทธพจน์และภาสิทธ์เหล่าใดที่พระพุทธเจ้าทรงหมายเอาเมื่อจะทรงจําแนกปริยัติธรรมออกเป็นเก้าอย่างก็คือองค์เก้านะปริยัติธรรมที่เรียกว่าองค์เก้าคืออะไรสุตตะเยะวยาการณาคาถาอุทานอิติวุตกาชาตกะอภูตธรรมเวทละอันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มอุทานภาสิทธ์นั่นแหละพระธรรมสังคหากาจาร์ร้อยกรองเอาไว้ว่าเป็นอุทาน อุทานนี่แหละที่ทจะเรียงต่อไปเนี่ยนะคำอุทานเนี่ยนะอย่างแรกแตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็อุทานเหมือนกันนะที่พระพุทธเจ้าทุกองค์นี้จะต้องอุทานใช่อุทานว่างไงอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพสังคาหาการังคเวสันตโตทุกขาชาติปุณะปุนังเป็นต้นเนี่ยนะที่เป็นไปด้วยอํานาจอุทานที่ควงแห่งโพเพิกและคาถาอุทานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายแสนองค์ไม่ทรงละ อเนกชาติสังสารังเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกองต้องเปล่งเหมือนกันหมดนะพอบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็เปล่งคำนี้ในวันอะไรนะรุ่งอรุณของวันหนึ่งค่ำนะคืนวิสาขะเป็นคืนตรัสรู้ใช่ไหยตอนสว่างนั่นแหละสว่างอนันแหละพระองค์จะเปล่งอุทานออกมาอเนกชาติสังสารังนี้ก็ไม่ได้อยู่ในคัมภีร์อุทานนี้แต่ไปอยู่ในคัมภีคาถาธรรมบทโน้นน ส่วนคําอุทานในธรรมจักรกับประวัตนาสูตรพระองค์ก็อุทานไนงะอัญญาซิวัตโพกลทันโยอัญญาซิวัตโพกลทันโยแปลว่าท่านผู้เจริญโกลทัญยะรู้แล้วหนอท่านผู้เจริญโพนี่แปลว่าท่านผู้เจริญโกลทัญยะรู้แล้วเนาะเหน็หนไหมที่พระพุทธเจ้าตรัสให้มีเสียงกึกกล้องแพร่หลายสามารถประกาศแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุ ทำไมพระองค์จึงบอกว่าอัญญาเซวัตโพโกณทันโยพระพุทธเจ้าดีใจมากเลยถึงกับเปล่งอุทานคํานี้ออกมาก็เพราะเหตุเกิดจากการพิจารณาถึงความลําบากของพระองค์นี่มีผลพระองค์นี้บําเพ็ญบารมีมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับธรร ม, มาด้วยความเหนื่อยความยากความเพียรอ น, นั้นเนี่ยมีพระอัญญาโกณทัญญะเป็นพยานคนแรกแล้วเป็นพยานว่าเราช่วยเขาได้จริงๆ หมายความว่าดีใจมากเหลือเกินเนี่ยนะว่าเราช่วยเขาได้จริงๆนะช่วยให้เขาบรรลุได้จริงๆช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้จริงก็เลยดีใจมากที่ช่วยเขาได้เพราะอริยมรตตามที่ทรงแสดงอันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมะที่พระองค์บรรลุเป็นมรี่พระเถระบรรลุ ก, ก่อนกว่าสาวกทั้งปวงในบรรดาสาวกทั้งหลายหลังจากที่พระองค์แสดงธรรมจักกับปวัตนสูตรจบถึงตอนนั้นพระัญญาโกณทัญญะ บรรลุโสดาปติมัค ก, ก็จริงที่เรียกว่าธรรมจักสุเนี่ยนะธรรมจักสุที่ปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่พระอัญญาโกณธัญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือแทงตลอดสมุทัยสัตว์สิ่งทั้งปวงนั้นล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดานิแท่งตลอดนิโรสัจจะด้วยอนุภาพของโสดาปติมัคถึงยังไม่เกิดอรหัตตมัคแต่พระองค์ก็ดีใจดีใจว่าคําสอนที่พระองค์สอน การปฏิบัติของพระองค์นี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุกแก่เนี่ยอัญญาโกทัญะเป็นพยานก่อนคนแรก น, นะเลยดีใจมากนนเะหรือบางทีคําอุทานที่พระองค์เนี่ยพิจารณาการปฏิบัติชอบของพิสุทั้งหลายทั้งปวงในครั้งปฐมโพธิการเป็นเพียงอุทานที่เกิดจากปีติและโสมนัสบางทีเนี่ยนะพระองค์เห็นพระพิสุบางยุคเนี่ยว่ายากสอนยากวุ่นวาย พอวุ่นวายเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับคนที่กระหายน้ํพยายามร้อนเนี่ยจะนึกถึงอะไรนึกถึงน้ำเย็นเย็นฉันใดพระพุทธเจ้าเห็นความวุ่นวายของพระพิสุในสมัยปลายปลายหลังๆมาเนี่ยพระองค์นึกถึงเพื่อพิสุสมัยรุ่นแรกๆท่านก็เลยบอกว่าภิกษุทั้งสมัยหนึ่งพิสุทั้งหลายทำทำให้เรายินดีหนอดีใจมากเลยนึกถึงพระพิสุกลุ่มแรกๆนะนะกลุ่มไหนบ้างกลุ่มที่ พระองค์แสดงโอว า, าทปาติโมกเป็นต้นเนี่ยนะกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยสงบสงเงียมยทำให้พระองค์ยินดีจริงๆทำให้พระองค์ปีติโสมนัติมากซึ่งแตกจากยุคหลังๆมาบัญญัติแต่พระวินัยเนี่ยนะสร้างปัญหาไม่มีจบมีสิน้นวุ่นวายคำพูดเอ่ออย่างคำที่บอกว่าพระพิสูจน์ทั้งหลายทำให้เรายินดีคำนี้ตรงๆแล้วไม่ใช่เป็นคำประกาศสัจจะอะไรไม่เป็นคาประกาศความเป็นไปหรือหวนกลับมา ไอ้คำว่าไม่เป็นไปความเป็นไปลรหวนกลับมาเนี่ยนะเป็นไปคืออะไรคือปวัตต์หมายถึงทุกขสัจกับสมุทัยสัจไอ้หวนกลับมานี่เป็นชื่อของนิโรสัจะกับมรรสัจเนี่ยนะวัดอ่ากเรียกว่าปวัตต์กับนิวัตต์ทุกขสัจสมุทัยสัจเป็นปวัตต์เป็นความเป็นไปทุกขสัจเนี่ยปวัตต์สมุทัยสัตเนี่ยเป็นปวัตตนะเหตุให้เป็นไปนิโรสัจะเป็นนิวัตต์ มกษัจจะเป็นนิวัตนะเหตุให้ไม่ต้องเป็นไปในวัตตะนนะก็ะบอกว่าเรียนธรรมะเนี่ยนะอ่านยากที่สุดคือช่วงหน้าต้นๆนี่แหละห้าหกสิบหน้าแรกเนี่ยโอหถ้าใครอ่านผ่านนะเรียนผ่านหมดนะแต่ถ้าใครเรียนไม่ผ่านโดยมากบอกโอโ้ยากไปก็เลยปิดเลยจริงเนะค่อยคำเหล่านี้คือ เท่ากับเป็นการบอกว่าพระที่เรียบเรียงคำพีน์นี้ท่านแตกฉานพระไตรปิฎกเป็นอย่างดีท่านก็จะอ้างโน่นอ้างอ้างมาเยอะแยะไปหมดเลยอ้างจนคนไม่เคยอ่านมาเปื่อยหัวเหมือนกันเถอะแต่จริงๆเนี่ยเป็นการบอกว่าพระเถระเนี่ยท่านท่านมีความสา ม, มารถท่านเรียนเยอะท่านมีความรู้มากนะไม่ใช่ว่าใครอยากจะมาแต่งอัตถกถาก็แต่งไปเรื่อยเปื่อยแบบกระทู้ที่แต่งมั่วๆกันไม่ใช่แบบนั้นแต่ท่านมีความรู้มากท่านโยงใยคัมภีร์ได้หมดเลย ถือว่าเป็นผู้ที่รู้จริงในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะปริยัติธรรมทั้งหมดเนี่ยท่านเหล่านั้นเนี่ยสํานวนว่าอยู่ที่ปลายลิ้นเนี่ยนะหมายความว่าท่านอยากพูดอะไรก็พูดได้หมดเลยที่เป็นพระไตรปิฎกท่านมีความสามารถขนาดนั้นนี่ระหว่างที่ท่านเชื่อมโยงข้อมูลให้เราดูเนี่ยนะเราก็ไม่ไม่เคยอ่านมาด้วยหรืออ่านมาก็จําไม่ได้ท่านยิ่งโยงเรายิ่งเวียนหัวเนี่ยนะเรียกว่าเล่าให้ฟังมากๆกล า, ายเป็นแทนที่จะชอบก็เลยชังไปเลยก็มี เพราะฉะนั้นใครที่อ่านตรงนี้ผ่านได้นะเขามาว่าเล่มนี้เรียนได้หมดเลยอุทานเล่มนี้เนี่ยโดยปิดกสามเป็นอะไรปิดกมีสามใช่ไหมพระสุพระวินยัยพระสวดพระพิธรรมคำมภดอุทานอยู่ในพระสุตันตปิดกนิกายนิกายคือกลุ่มนิกายนี้แปลว่ากลุ่มก๊กหรืออะไรนะหมู่หมวดหมู่ก็ได้มีอยู่ห้าอย่างคือทีฆนิกายมัชชิมนิกายสังยุตตนิกาย อังคุตระนิกายและคุถกาณิกายคำภีอุทานนี้นับเนื่องในคุถกาณิคายคําสอนของพระพุทธเจ้ามีองค์9้าคือสุตตะยะวยกากรณาคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอพภูตรธรรมเวทละอันนี้นับเนื่องในคําอุทานสงเคราะห์เป็นธรรมขันเล็กน้อยในจํานวน 84% ดหมพันธรรมขันคือพระวินัยเนี่ยเอาไปสองหมพันธรรมขันได้ใช่ไหม พระพิธรมปีดกนี่สี0หมพันระธรรมอาคารถ้าสุตตันตปิดกนี่มี2องหมพันระธรรมอาคารแล้วก็แบ่งเป็นทีขนิกายมัชชิมนิกายแบ่งไปเยอะแยะไปหมดดังนั้นอุทานก็ถือว่าเล็กน้อยถ้าเทียบกับนิกายทั้ง5เนี่ยนะก็มีอยู่ไม่กี่ไ ม, กไม่กี่ธรรมอาคารเ อ, ง, องนี่นะถือว่าธรรมอาคารเล็กน้อยบางแห่งเขาบอกว่าอาจจะดีไม่ดีไม่ไม่ถึงร้อยธรรมอันารถ้าดูตามนี้แล้วมีประมาณ80ธรรมอาคารเท่านั้น สูตรละหนึ่งธรรมขันก็มีประมาณ80ิธรรมขันนี่นะว่าโดยวักเนี่ยนะมีอยู่แปดวักมีทั้งหมด80ดสิบสูตรโดยคาถาเนี่ยมีอยู่95้าสบห้าคาถาโดยสวดเนี่ยนะแปลว่าสวดพัก 9, 9้าครั้งครึ่งเรียกว่าบทพาณวาระเนี่ยก้าครึ่งพาณวาระแปลว่าเวลาสวดเนี่ยนะพักหายใจเก้าครั้งว่างั้นน ไม่ใช่ไม่ถึงขนาดพักดื่มน้ำ嘛นะพักหายใจเนี่ยนะพักดื่มน้ำยาวไปหน่อยพักอาหารว่างด้วยยิ่งยิ่งนานางนน้โดยสนที่โดยการเชื่อมสนทีอนุสนทีนี่แปลว่าการต่อการต่อเนื้อหาสนทีใหญ่ๆมีอยู่คือปุจฉานุสนทีเนี่ยนะนะแล้วก็มีปุจฉานุสนทีและยฐานุสนที ยะฐานุสนธิอัชชายานุสนธิเป็นต้นแปลว่าการเชื่อมเนื้อหาก็บางอย่างเชื่อมเพราะคําถามบางอย่างเชื่อมเพราะเรื่องเนื้อเรื่องมันสืบเนื่องกันบางอย่างนี่เชื่อมเพราะอัธยาศัยคัมภีร์นี้มีบทมีบทนี่คือถ้อยคําที่ประกอบมีลิงค์วจนะวิพัฒน์เรียกว่าบทใช่ไหมคำพูดที่ประกอบด้วยลิงค์วจนะวิพัฒน์เรียกว่าบท มีอยู่สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรบทท่า น, า น, านคอมพิวเตอร์ตอนนี้มันบอกหมดเลยนะพิมพ์ไปกี่ตัวมันบอกหมดเลยกี่อักขระกี่คำนะนะแต่สมัยก่อนเนี่ยท่านนั่งนับได้นะ่านขยันจริงๆเลยโดยบาทคาถามีอยู่แปดพัี่รอยี่สิบาบาทคาถาอักขระนะใช้ตัวหนังสือหกหมืเจ็ดันสาอแปดสตัวหนังสือใช้อักษรเท่านี้นะหก0 0 0่นกว่าอักษร อ, อักขระก็คืออักษร น, นั่นแหละ ท่านนับได้แมก้กระทั่งอักษรเลยนะแสดงว่าพระไตรปิฎกทั้งหมดใช้อักษรเท่าไหร่ท่านนับได้นะสมัยนั้นนะสมัยที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์อะไรนะเพราะคําเหล่าเนี้ท่านนับเมื่อพันพันปีที่แล้วโน่นเนะนี่ยนะตัวหนังสืออยู่ในใบลานด้วยท่านก็เลยกล่าวมาเป็นคาถาว่าพระสูตรในเนี่ยมีอยู่แปดสิบสูตรมีอยู่แปดวรกเก้าสิบห้าคาถาพานวาวระเก้าครึ่งมี อนุสนิที่81อนุสนทิทคํานี่นับได้ 21,100 บทนะนะแล้วก็มีเท่าไหร่มี 8,423 บาทคาถา 67,382 อักษรนะนะก็นับได้หมดเลยเนาะถือว่าเก่งมากเลยเนะี่ยเสมัยนั้นเนี่ยนะพูดแต่จริงๆเขาเข้าใจเย็นเนี่ยนะเขาใจเย็น เ, นะเขา เป็นผู้ที่มีศรัทธาเขาจะมองว่าแต่ละบทเนี่ยนะถ้าใครเคยนับสตังเนี่ยนะคงไม่ค่อยไม่ค่อยเบื่อใช่ไหมเวลานับเงินเนี่ยนะเบื่อไหมโอ้โหนี่ทำไมมันมากมายอะไรขนาดนี้เบื่อไหมหรือนับทองเนี่ยนะโอนี่ก็เส้นนับเพชรนับพลอยนี่น่าเบื่อนี่เท่านั้นเม็ดเท่านี้หน่ารําคาญอย่างเงี้เขาเป็นอย่างนั้นไหมไม่ท่านเหล่านี้ท่านไม่อย่างนั้นหรอกเพราะท่านถือว่าท่านนับธรรมรัตนะเนี่ยนะนับธรรมรัตนะท่านนับด้วยศรัทธานับด้วยความ เลื่อมสายท่านมีความสุขเพราะท่านมองเห็นทุกอักขระทุกบทประดุดเพชรเลยหรือหรืออะไรนะก็บอกว่าคนที่จะเรียบเรียงคัมภีร์เนี่ยนะเขียนเถียนพระไตปิฎกคัดลอกพระไตปิฎกเนี่ยจะต้องมองว่าตัวอักขระเท่ากับพระพุทธรูปหนึ่งองค์สมัยนี้เคยเห็นพวกสองพระไหมสองพระเครื่องสองได้ทั้งวันเลยนะเด็กเดินก็สองอยู่นั่นแหละเขาชอบมากนี้ก็เหมือนกัรเนี่ยนะท่านรักพระธรรมอย่างนั้นท่านเห็นว่า ทุกอักขระนี้เท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ท่านจึงสนใจมากเลื่อมใสามากนะมีความสุขกับการพิจารณาสิ่งเหล่านี้เ่เวลา2ไม่หลับนนะลห ล, บลับข้างเดียวห <c oughs> ลับตาข้างยังจะสองได้ <c oughs> นี้ก็มาเข้าอันนี้จริงๆนะบอกน้องพวกนี้เป็นบทนำเฉยๆยังไม่ได้เข้าเนื้อหาอะไรเลยนะเนี่ย <c oughs> หมดไปชั่วโมงแล้ะ จะรีบไปไหนเนาะย ม, มีเวลาตั้งหลายวันเนี่ย <c oughs> มาสบายเลยพูดแต่แค่สิบสองรอบเองนะไม่รู้สึกว่ารีบเลยนั่นมาดูสู่แรกเลยนะที่บอกว่า เอวัมเมสุตังเนี่ยนะอยากจะพูดคํานี้เยอะหน่อยนะเอวัมเมสุตังข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้หรือข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้บาลีนี้เขาบอก A เอวังเมสุตังเนี่ยนะคือภาษาไทยเนี่ยจะแปลคำค ำ, คำท้ายของบาลีมาก่อนถ้าถ้าพูดแบบภาษาแปลตามคําเลยบอกว่าเอวังแปลว่าอย่างนี้เมแปลว่าข้าพเจ้าสุตังแปลว่าได้สดับ อย่างนี้ข้าพเจ้าได้สดับนะนี่แทบแปลแบบตามๆแกะตามตัวอักษรมาเลยแต่ถ้าแปลโดยอัดถามมาัก็ว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้คําว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้เนี่ยนะทําไมพระนนทท่านจึงพูดแบบนั้นเขาบอกว่าสมัย สมัยที่พระนนท์ทําสังขยนาเนี่ยมีเทวดาบางกลุ่มเขาก็นึกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าจะมีองค์หนึ่งแล้วพระนนท์ก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ข้าพเจ้าไม่ใ ช, พพใช่พระพุทธเจ้านะแต่เหตุผลหลักๆที่กล่าวถึงว่าเอวัมเมสุตังเนี่ยไหมมีอยู่สความหมายความหมายแรกเลยนีลองไปดูในหน้าสิบาดูนะจะเห็นชัดว่านี่คือเหตุผลแรกที่พระนนท์กล่าวออกมาว่าในย่อหน้าล่างสุด ท่านบอกว่าใครจะสามารถรู้พระดำรัดของพระพุทธเจ้านั้นโดยประการทั้งปวงบอกตรงๆเลยนะว่าใครจะรู้ทุกคำใครจะรู้พุทธพจน์ได้โดยสิ้นเชิงเพราะอะไรท่านก็บอกเหตุผลว่าพระพุทธพจน์นะมีนัยยะต่างๆอันละเอียดเกิดจากอัธยาสาัยเป็นอนเนกคือเป็นอันมากสมบูรณ์ด้วยอัฏถะและพยัญชนะ มีปาฏิหาริย์ต่างๆลึกซึ้งโดยธรรม ล, ลึกโดยอัดลึกโดยเทศนาและลึกโดยปฏิเวทอันมาปรากฏทางโสตะวิญญาณโดยเหมาะสมแก่ภาษาของตนของต น, งตนแห่งสรรพสัตว์แปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเทศออกไปเนี่ยคนที่ฟังแปลเป็นภาษาตัวเองทุกคำนะเป็นภาษาที่ตัวเองถนัดที่สุด น, นะโดยไม่ต้องมีลำ่ำ น, นะนั่นเป็นพระพุทธพจน์นะเป็นพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้า พระพุทธพจน์เนี่ยที่ฟังแล้วมาเป็นภาษาของตัวเองตัวเองหมดเนี่ยมีนัยยะต่างๆที่ละเอียดอันนี้คนหนึ่งไนมะมีนัยยะที่ละเอียดมากแล้วก็เป็นธรรมะที่เกิดจากอัธยาสัยเป็นอเนกสมบูรณ์ด้วยอัถฐและพยัญชนะมีปาฏิหาริย์ต่างๆลึกซึ่งโดยธรรมลึกซึ่งโดยอัดลึกซึ่งโดยเทศนาและลึกซึ่งโดยปฏิเวทคาอธิบายนะั้นอยู่หน้าสิบสี่หน้าสิบห้า นนหน้าสิบหกคำแรกก่อนที่บอกว่ามีนัยยะต่างๆนะนัยยะต่างๆนี่มีอะไรบ้างท่านก็ยกตัวอย่างนัยยะตามเนติปกรณ์มาก่อนเนติปกรณ์นี่มีอยู่อะไรเ อ, อภิษฐริยนัยยะตามปฏิจจสมุป บ, บาทใช่ไหมคือเอกัตไยนานัตไยอภพยาปารไยเอวังธรรมตาไนา ตามนัยยะเนติปกรณ์ก็บอกนั้นทิยาวัตนายติปุคละในสีหวิกีลิตานาที่สาโลจนะนายและอังกุสะนอันนี้คือคำนัยยะต่างๆยกมาเป็นตัวอย่าง9ก้านแล้ใช่ไหมแล้วก็ยังนัยยะตามพระไตรปิฎกอีกมันพระสูตรแต่ละสูตรนี้ถือว่าเป็นหนึ่งนัยยะด้วยกันถ้าเป็นตามพระวินัยก็เป็นบัญญัติและอนุบัญญัติถ้าเป็นธรรมะในส่วนอื่นก็เป็นสังกิเลสะภาคยะว่าปุญยะหรือวาสนาภาคิยะ วิเศษภากคยานิเพธาภัคยะเป็น ต, นตน้นนะหรืออะไรนะเสขะภะสังเสขภากคียาอเสขภากคยะเป็นต้นหรือว่าโลกิยะโลกุตระทั้งโลกิยะทั้งโลกุตระกุศลอกุศลอภยากตะเป็นต้นเตะมาติกาทุกะมาติกาหรือขันอายะตนะธาตุหรือแบบสังกะโหอสังกะโหสังกหิเตนะเป็นต้นนะหรือแบบบุคคลก็สามยะวิมุตติอสสามยะวิมุตติกุปธรรมอกุปธรรมหรือ ถปณะเนี่ยนะการตั้งไว้เป็นต้นหรือด้วยอํานาจกุศลมูลนะกุศลมูลมีอะโลภเป็นต้นและด้วยอํานาจติกะประธานเนี่ยนะติกะประธานทุกกะประธานติกะทุกกะทุกกะติกะติกะทุกกะทุกก ะ, กกะเป็นต้นเรียกว่าประธานหกมีอยู่แสนกว่าแสนกว่าบทนั้นแล้วก็ถ้าเป็นปุจฉาวาระก็ตัวเลขสิบสองหลักไปว่าไปนั่นก็คือพระธรรมเนี่ย เชื่อว่าละเอียดโดยนัยะต่างๆเพราะละเอียดอ่อนสุ ข, ขุมโดยนัยะต่างๆท่านแปลว่าพระพุทธพจน์หนึ่งบทเนี่ยนะใครจะฟังแล้วเข้าใจอย่างแตกฉานเนี่ยคนนั้นคือผู้ทรงพระไัยพิดกผู้ทรงพระไัยพิดกเนี่ยฟังหนึ่งคำน่ะอธิบายได้หมดเลยได้ไหมเพราะอะไรเพราะเพราะต้องมีข้อมูลมากจริงๆจริงจะฟังพุทธพจน์บทนั้นเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งพ่าน พรนนท่านก็ออกตัวว่าใครจะไปรู้ได้ทุกทุกอย่างตามนั้นได้เนี่ยนะเป็นการออกตัวนะออกตัวว่าพุทธพจน์นั้นมีนัยยะที่ละเอียดลึกซึ้งมากแล้วพระพุทธพจน์เหล่านี้เนี่ยนะเกิดจากอัธยาศัยเป็นอเนกคืออัธยาศัยของสัตว์เนี่ยมีเยอะมากผู้ผู้ฟังธรรมทั้งหลายเนี่ยนะมีจริตมีนิสยัยแตกต่างกันเช่นบางพวกนี้เป็นศัสตถธิิ รับที่ถือว่าเที่ยงเช่นวิญญาณเนี่ยตายแล้วมันล่องลอยไปเรื่อยพวกนี้ถือว่าวิญญาณนี้เที่ยงเป็นกลุ่มสัสตตถิฐิเป็นตน้นหรือบางพวกเนี่ยเป็นอุเฉต ท, ทิฐิบางพวกเป็นเอกจจะสัสตตถิฐิบางพวกเป็นอมราวิเขปะเป็นตน้นบางพวกก็มีกิเลสในกิเลสประดุทุรีในดวงตาน้อยบางพวกมีกิเลสมากบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอินทรีย์แก่กล้า บางพวกสอนง่ายบางพวกสอนยากเป็นต้นอันนี้คืออัธยาศัยของสัตว์นี่มากจริงๆพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนตามอัธยาศัยของผู้ฟังแล้วใครจะไปรู้อัธยาศัยของสัตว์ได้ทั้งหมดนอกจากพระพุทธเจ้าผู้ผู้มีอาสญานุสยาญานใครจะไปรู้พุทธพจน์ได้โดยสิ้นเชิงพระพุทธพจน์ของพระองค์นั้นสมบูรณ์ด้วยอัฏะและ พยัญชนะอัฐามี6กใช่ไหมสังกาสนะปะกาสนะวิวรรณะวิพัชนะอุตนีกรณะและบัญญัติส่วนพยัญชนะก็มี6คืออักขระบทพยัญชนะอาการนิรุตและนิเทศสมบัติอัฐะแห่งศีลนะนะเป็นต้นและสมบัติแห่งพยัญชนะหมายความว่าเป็นถ้อยคําที่ประกาศอัฐะของอริยสัจเป็นต้นอย่างละเอียดพิสดารลึกซึ้งนะใช้ทั้งอัฐะใช้ทั้ง พยัญชนะใครเนาจะไปรู้โดยอาการทั้งปวงในอัฏฐพยัญชนะทั้งหมดของพระพุทธเจ้าคำสอนเหล่านี้ก็มีปาฏิหาริย์ต่างๆมีปาฏิหาริย์อย่างไรปาฏิหาริย์เช่นว่าบางสูตรเนี่ยแสดงควบสลับกับอิทธิปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์ก็คือยมะกะปาฏิหาริย์เวลาพระองค์แส ด, แสดงฤทธิ์ไปด้วยแล้วแสดงธรรมไปด้วยอย่างนี้ หรืออาเทศนาปาฏิหารดักใจแล้วเทศเนี่ยนะดักใจแล้วแสดงธรรมบางทีก็เป็นอนุสาสนีปาติหารขยายสิ่งเหล่านั้นอย่างละเอียดลึกซึ้งเนะธรรมะเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นอารมณ์ของปาติหารแต่ละอย่างใครจะไปเข้าใจพระพุทธพจน์เหล่านั้นได้โดยสิ้นเชิงว่าพุทธพจน์เนี่ยมาจากปาติหารไหนเป็นต้นเนี่ยนะแล้ว ถ้าไม่เข้าใจแล้วใครจะไปออกตัวว่าโหยรู้ทุกเรื่องเลยนะรู้ไปหมดเลยนะบางแห่งก็บอกว่าใครที่รู้เท่าพระพุทธเจ้าคนนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านอนท่านก็บอกเท่ากับออกตัวว่าข้าพเจ้าเป็นสาวกข้าพเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าข้าพเจ้าไม่ใช่ไปรู้ทุกเรื่องรู้ทั้งหมดไม่ใช่ท่านก็ต้องการออกตัวแบบนั้นนะนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าชื่อว่าปาฏิหารเพราะอะไรเพราะกําจัดธรรมะที่เป็นข่าศึกข่าศึก ค่าศึกในที่นี้คือกิเลสนะนะมีราคะเป็นต้นกิเลสมีราคะเป็นต้นที่เป็นค่าศึกอันจะพึงกําจัดไม่มีแก่พระพุทธเจ้าเมื่อจิตปราศจากอุปกิเลสประกอบด้วยคุณแปดประการกําจัดธรรมที่เป็นค่าศึกได้แล้วก็แสดงอิทธิปาฏิหารแม้สําหรับปุตุชนก็ยังเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อว่าโดยโวหารที่เป็นไปในการแสดงฤทธิ้นั้นจึงไม่อาจจะกล่าวได้ว่าปาฏิหารในที่นี้ ไอ้คำว่าปาฏิหารไม่ใช่มใชเมื่อจิตเบาอ่อนคล่องควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วน้อมไปเพื่อแสดงฤทธิ์โดยประการต่างๆทํ า, า, าทคนเดียวเป็นหลายคนทําหลายคนเป็นคนเดียวนะเดินบนน้ําเหมือนเดินบนแผ่นดินเนี่ยนะมุดลงไปในในแผ่นดินเหมือนมุดลงไปในน้ําเดินผ่ า, าช่องภูเขาเป็นต้นไอ้อย่างนั้นไม่ใช่ปาฏิหารตรงนี้ไอ้การแสดงฤทธิ์แบบนั้นไม่ประสงค์เอาตรงนี้นะก็ไปดูเครื่องบินเอาก็แล้วกันไง แต่ในที่นี้คําว่าปาฏิหารมุ่งอะไรมุ่งบอกว่าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาอย่างกิเลสที่มีอยู่ในเวนยสัตว์เป็นข้าศึกอยู่ไซเพราะกําจัดกิเลสอันเป็นข้าศึกนั้นจึงเรียกว่าปาฏิหารปาฏิหารของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีศัตรูคือกิเลสในใจของสัตว์คือพระองค์เห็นแล้วว่าสัตว์เนี่ยนะเศร้าหมองถ้าอุปมาเปรียบเหมือนว่า ศัตรูของหมอคือโรคที่อยู่ในที่อยู่ในตัวคนไข้นั่นคือศัตรูของหมอที่หมอจะต้องกำจัดให้ได้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะจะต้องกำจัดเชื้อโรคตัวนั้นให้ได้ฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นมองว่ากราคาโทสะโมหะที่เป็นเครื่องเศร้ามองที่อยู่ในจิตของสัตว์เนี่ยคือศัตรูคือคอ่าศึกที่พระองค์ต้องกำจัด พันพระองค์เนี่ยแสดงธรรมให้หมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะจิตเบาจิตอ่อนจิตควรแก่การงานอันนะั้นประดุดผ้าที่ซักดีแล้วเนี่ยนะเป็นจิตที่ไม่มีนิวรณ์คลุ้มรุมเป็นจิตที่ปราศจากบาปและอกุศลนั้นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามุ่งกําจัดบาปกําจัดอกุศลกําจัดราคะกําจัดโทสะกําจัดโมหะกําจัดความเศร้าหมองความหม่นมองความขุนมัวที่มีอยู่ในใจของสัตว์ทั้งหลาย นั่นน่ะคือปาฏิหาริย์ของพระองค์คือพระองค์สามารถพูดให้คนทุกข์เนี่ยหายทุกข์ได้พูดให้คนหนักใจนี่เบาใจได้ น, นะพูดให้คนที่ปัญหายุ่งเหงื่สับสนแก้ปัญหาได้หมดเนี่ยนะอันนี้คือปาฏิหาริย์ของพระองค์ที่มีที่มีต่อสัตว์คือสามารถสงเคราะห์สัตว์ได้นั่นเองอีกในหนึ่งเนี่ยพวกเดรัจฉินี้ชื่อว่าเป็นค่าศึกต่อพระพุทธเจ้าและเป็นค่าศึกต่อพระพุทธศาสนา พระองค์นี้ก็กำจัดพวกเดรัจฉ์เหล่านั้นกำจัดยังไงกำจัดด้วยอีทธิปาฏิหารบ้างอาเทศนาปาฏิหารบ้างอนุสาสนีปาฏิหารบ้างกำจัดในที่นี้ไม่ได้แปลว่าฆ่านะแต่แปลว่าลบล้างลับที่ความเข้าใจผิดเหล่านั้นซะด้วยการกำจัดมิจฉาทิฐิและด้วยไม่มีความสามารถในการประกาศทิฐิหมายาว่ามุ่งกำจัดมิจฉาทิฐิของเดรัจฉเหล่านั้นได้ อันนี้ก็หมายถึงคำว่าปาฏิหารท่านบอกว่าอีกในหนึ่ง น, นะเมื่อจิตตั้งมั่นปราศจากอุปกิเลสทําบุคคลผู้ทํากิจแล้วพึงนำไปคือให้เป็นไปในภายหลังเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปาฏิหารอีกอย่างหนึ่งเมื่ออุปกิเลสของตนถูกมักอันสัมปยุตด้วยฌานที่สี่ขจัดแล้วการกาจัดในภายหลังชื่อว่าปาฏิหาร อันหนึ่งอิธิปาติหารอาเทศนาปาติหารและอนุสาสนีปาติหารอันผู้ปราศจากอุปกิเลสเสร็จกิจแล้วพึงให้เป็นไปอีกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยปาติหารปาฏิหารของพระองค์เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ประโยชน์หมายถึงประมาทประโยชน์คือพระนิพพานเพื่อเกื้อกูลหมายคาอว่าเพื่อพระนิพพานเพื่ออรยิยมรรคแก่สัตว์นั่นแล อันหนึ่งเมื่ออุปกิเลสของตนถูกขจัดแล้วการกําจัดอุปกิเลสในสันดานของบุคคลอื่นย่อมมีเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าปาฏิหารคือพระองค์นี่กําจัดกิเลสในใจของพระองค์เสร็จแล้วใช่ไหมก็เอาก็ไปกําจัดอุปกิเลสของผู้อื่นอีกอันนี้เลยเรียกว่าปาฏิหารในก็อธิบายคําว่าปาฏิหารซะลึกซึ้งเลยนะทีนี้ถ้าอธิบายคําว่าคำภีรภาพคำภีรภาพที่ภาษาไทยแปลว่าลึกซึ้ง โอ้ธรรมะนี่ลึกซึ่งจริงๆนไไอ้คำว่าลึกซึ่งมีอยู่4ประการ1ลึกซึ่งโดยธรรมสลึกซึ่งโดยอัฏฐสาลึกซึ่งโดยเทศนา4ลึกซึ่งโดยปฏิเวทคือการบรรลุเนี่ยนะกล่าวคือแบบแผนแบบแผนคือธรมอธรมะอัถฐเทศนาแล้วก็ตรัสรู้คือปฏิเวทชื่อว่าแบบแผนเป็นต้นกล่าวคือเหตุและผลนะกล่าวคือเหตุและผลอันเผดมาแต่เหตุ ทั้งเหตุทั้งผลบัญญัติและปฏิเวทเป็นภาวะอันสัตว์ผู้ไม่ได้สั่งสมบูรณ์กุศลสัมพานไว้หาที่พึ่งไม่ได้และอย่างรู้ได้ยากแปลง่ายๆว่าคนไม่ได้สั่งสมบูรณมาศึกษาพระธรรมไม่ได้หรอกเรียกว่าอะไรนะเห็นทร า, ายบิดกก็เปลี่ยนหัวแล้วไม่ได้ทําบุญมานะก็อย่างที่ว่าคนไม่ได้ทําบุญมานะให้เข้าไปเงือแตกเงือท่วมยังไงก็ได้ขออย่างเดียวอยากให้นั่งฟังธรรมเลย เคยเห็นไหมไม่เชื่อไปจ้างคนงานที่อาบเหงื่อต่างน้ําวันวันหนึ่งบอกว่าฉั้นให้รายได้เท่ากับแรงงานของเธอแล้วก็นนั่งฟังธรรมอย่างเดียวนะ <Okay. S 1> เขาไม่เอาหรอก <Okay. S 1> เพราะว่าคนที่ไม่ได้สั่งสมบูรณ์มาเนี่ยรับไม่ได้จริงๆฟังธรรมไม่ได้จริงๆงริงนะนะแล้วก็ถึงฟังก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆ <Okay. S 1> เพราะเพราะอะไรเพราะไม่ได้สั่งสมบูรณ์มามันเราทั้งหลายเวลาทําบุญทํากุศลก็อย่าลืมตั้งความปรารถนาใช่ไหม ตั้งความปรารถนาเพื่อให้รู้ธรำถ้าเราฟังธรรมวันนี้เป็นต้นแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็แสดงว่าเราบุญน้อยบุญน้อยแล้วทำยังไงเวลาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าทําให้แจ้งโลกุตระทรเก้าในทันทีเป็นต้นเนี่ยก็ตั้งความปรารถนาไว้เลยขอให้เป็นปัจจัยให้ได้ตรัสรูม้มรรคผลเป็นปัจจัยให้ตรัสรู้อริยสัจธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอน ตั้ ง, งทําบุญและตั้งความปรารถนาอย่างนี้เอาไว้ก่อนถ้าไม่ได้ทําบุญตั้งความปรารถนาเอาไว้นะยากเหมือนกันนะะบางทีก็อย่าว่ายากที่จะบรรลุเลยยากที่จะนั่งฟังได้นะนะฟังครั้งเดียวก็พอแล้วว่า ง, งั้นนะนะลึกมากว่า ง, งั้นเรานี่บุญน้อยเลยเลิกเรียนไปเลยนั่นะหนักกว่าเก่าเนี่ยดูท่าอาภ พ, พยาวแน่เนี่ยนะ เพราะว่าเพื่อที่บุญน้อยเนี่ยนะไม่ได้สั่งสมบุญมาเนี่ยก็ยากที่จะตรัสรู้ได้เหมือนอะไรเหมือนมหาสมุทรอันสัตว์ทั้งหลายมีกระต่ายเป็นต้นไม่อาจจะหยั่งลงได้เคยเห็นกระต่ายเที่ยวทะเลไหมไปว่าให้เล่นกลางทะเลเลยนะเพราะอะไรเพราะเป็นของลึกไม่ใช่วิสัยของกระต่ายชั้นใดพระธรรมก็เหมือนกันไม่ใช่วิสัยของพวกอาเหตุกะปฏิสนธิ พวกที่เกิดด้วยอเหตุกะปฏิสนธิเช่นเดรฉานเป็นต้นฟังทำไม่ได้ไม่เชื่อลองเล่าให้สัตว์เลี้ยงที่บ้านฟังดูสิจะฟังไหมล่ะไม่ได้หรอกถ้าพวกไม่ได้สั่งสมบูรณ์มาเกิดเป็นอเหตุกะปฏิสนธิก็ไม่ได้หรือเป็นมนุษย์ถ้าเป็นพวกทวีเหตุตกะปฏิสนธิก็ฟังไม่ได้ไม่เชื่อก็ไปประกาศอริยสัตว์ในในโรงเรียนเด็กปัญญาอ่อนดูสิจะได้ไหมพวกทวีเหตุก็ฟังไม่ได้เนี่ยนะหรือพวกติเหตุแต่ไม่ได้ตั้งอัธยาศัยเพื่อเรียนพระธรรมก็ ฟังไม่ได้เนี่ยนะถึงจริงอยู่เขาเกิดมาด้วยติเหตุกะปฏิสนธิแต่เขาไม่ได้ตั้งความปรารถนาไม่ได้ตั้งอัธยาศัยมาก็เรียนอริยสัจไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยตรงๆแล้วท่านบอกว่าเกิดครั้งคราวในโลกนี้เทวดาในสมัยพุทธกาลก็ยังพูดเหมือนกันบอกว่าพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเป็นครั้งคราวเท่านั้นแหละเมื่อเกิดขึ้นมาในครั้งคราวเนี่ยท่านเสียใจมากที่ ที่ไม่ได้มาฟังธรรมต่อพระพักต่อพระโอษฐ์เป็นต้นเลยนะแต่ตอนนี้ของเราก็เหลือคําสอนใช่ไหมแต่ขอมาเชื่อโดยสุดจิตใจจริงๆว่าไม่นานคําสอนนี้หมดแน่ตอนนี้เชื่อเชื่อด้วยว่าไม่มีฟื้นฟูยังไงให้สําเร็จบอกว่ายากไม่เชื่อดูของมาจะชวนใครอ่านก็ะไตรปิฎกได้ตลอดชีวิตได้บ้างนะดูท่าแล้วจะยากดีไหมดีลึกไหมศรัทธาไหมศรัทธาเอาไห ม, เ อ, ไหมเอาไว้ก่อนครับ โดยมากก็เป็นอย่างนี้เราก็เลยเชื่อแล้วว่าเสื่อมจริงๆอ่ะนะเชื่อถามว่าศาสนาเนี่นะเสื่อมจากใครเอาเสื่อมจากพระสารีบุตรไหมเสื่อมจากพระอานนท์ไหมก็เสื่อมจากเราเราท่านๆนี่แหละก็ดูว่าชาตินี้นะตั้งใจไว้อย่างไงอ่านพระไตรปิฎกทุกเล่มเลยชาตินี้จะต้องปฏิบัติตามคําสอนในพระไตรปิฎกไวเ้เนี่ยใครตั้งไว้อย่างนี้บ้างเนี่ยนะจะมีสักกี่คนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอาการที่ไม่ตั้งแบบนี้เนี่ยประกาศได้เลยว่าเสื่อมแน่นะนะก็เสื่อมจากใจใครก่อนก็เอาว่าเป็นรายคนอ่ะนะ แต่รวมๆแล้วเสื่อมแน่ๆๆก็บางคนเนี่ยพอเขาเลิกเรียนตัวเองก็เลิกก็เลิกไปด้วยเลยนะปิดคมภีปิดตรรราปิดอะไรไปหมดไปที่ไหนก็ก็เลืมหมดเลยเพราะาศาสนาเสื่อมจากใครเพราะวันๆหนึ่งเนี่ยใจของเราเนี่ยเสื่อมจากาศาสนาหรือว่าหรือว่าอะไรมากกว่ากันเสื่อมกับไม่เสื่อมไหนมากกว่ากันก็เสื่อมมากกว่าเพราะว่าวันๆหนึ่งเราคิดถึงคําสอนได้เท่าไหร่ล่ะอยู่กับคําสอนแค่ไหนนั่นแหละประกาศว่าเจริญหรือ เสื่อมเพราะศาสนาไม่ใช่กระดาษศาสนาไม่ใช่รูปเล่มแบบนี้ศาสนาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่สภาพจิตของเราทั้งหลายจิตที่เป็นไปกับคําสอนจิตที่เป็นไปกับไตรสิกขาจิตที่เป็นไปกับศีลสมาธิปัญญาจิตที่เป็นไปเพื่อการรู้แจ้งอรยิยสัจนั่นแหละพระศาสนาดํารงอยู่ตรงนั้นผ้าจิตไม่เป็นไปกับสิ่งเหล่านี้ศาสนาไหนศาสนาไม่ได้อยู่ที่ผ้าศาสนาไม่ได้อยู่ที่ ร่างกายศาสนาไม่ได้อยู่ที่โบสถ์เป็นต้นเนี่ยนะศาสนาอยู่ที่ศึกขาอยู่ที่วิ ช, ชาและความรู้อยู่ที่ความไม่โลภไม่โกรธและไม่หลงเป็นไปกับศีลสมาธิปัญญาเพื่อคำสอนเหล่านี้ผู้ที่ไม่ได้สั่งสมบูรณ์ไม่ได้สั่งสมอัทยาศัยไม่ได้ตั้งความปรารถนามาก็ยากที่จะรู้ได้เนี่ยนะพูดแบบในหนึ่งที่ว่าเมื่อกี้ายากที่จะทนฟังได้เนี่ยนะ ยากที่จะทนฟังอ่ะนะน้อยนะักอะทนฟังบ้างฟังทนบ้างอ่ะนะส่วนหนึ่งก็เริ่มทนฟังก่อนนะพอพอไม่เข้าใจนะเริ่มทนฟังแล้วทีนี้ทนเนี่ยมันมีขอบเขตจํากัดใช่ไหมก็เลยเลิกทนเลครับนี้แตบ่บะแตกเลยเลิกเลยตัวเองก็เลยปิดตาตัวเองสนิทเลยไม่เห็นแล้วพระพุทธเจ้าไม่ดูอีกต่อไปไม่ดูแล้วพระธรรมเนี่ยนะก็ขอบอดตลอดตาดีกว่าเที่ยวดีกว่านะสบายใจดีอย่างไง การประกาศพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเป็นไปในขณะเดียวย่อมควรจะถือเอาได้ไม่ก่อนไม่หลังโดยภาษาของตนของตนแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้มีภาษาต่างๆกันสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าจาริกไปนะรัศมีร้อยกว่ากิโลเมตรเนี่ยจะมาหมดเลยว่ารู้ว่าพระองค์เนี่ยจาริกเส้นทางนี้ไปสัตว์ทั้งหลายในรัศมีเป็นร้อกิโลเมตรจากทั้ง ทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังเนี่ยจะมาดักกรอเพราะฉะภาษาเนี่ยมันเยอะมากอย่างประเทศไทยนี่ก็มีทั้งหลายภาษาใช่ไหมมีทั้งหลายสำเนียงมีทั้งหลายสำนวนเนี่ยนะยิ่งอินเดียเนี่ยมีพันกว่าภาษาประเทศอินเดียนี่มีพันกว่าภาษาและพระพุทธเจ้าไปสื่อกับเขาอย่างไรจึงเผยแพร่ได้กว้างขวางขนาดนั้นเพราะทุกคนฟังก็เป็นภาษาของตัวเองตัวเองหมดเลยอย่างนี้เรียกว่าพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็น อาจินตยเนี่ยนะเป็นบุญเป็นผลของบารมีที่พระองค์สั่งสมมาการสั่งสมของพระองค์นี่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์จริงๆอย่างใครที่ศึกษาทานบารมีของพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยเป็นเป็นผู้ที่ให้ทานมากใช่หัหยการให้ทานเนี่ยคือการให้ประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายถ้าหากว่าไม่ให้ทานที่เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายและพระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้า เพื่อให้ประโยชน์คือมรรคผลนิพพานแก่เขาได้อย่างไรดังนั้นพระองค์จึงให้ทานโดยการให้ประโยชน์ที่เป็นมหาพูดก่อนแล้วพระองค์จึงสามารถให้ประโยชน์ที่เป็นสราระคมเป็นศีลเป็นสมถะเป็นวิปัสนาให้ประโยชน์ที่เป็นมรรคผลอภิญญาเป็นต้นเนี่ยนะกว่าพระองค์จะให้ประโยชน์เหล่านั้นได้พระองค์ก็สั่งสมบุญมามามากดังนั้นสมัยพุทธกาลเขาเหล่านั้นก็เป็นผู้สั่งสมบุญมาจริงๆ พระพุทธเจ้าก็ประสงค์จะสงเคราะห์เขาจริงๆเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องประจบเหมาะเขาเรียกว่าขณะและสมัยในการประพฤติพรหมจรรย์สมัยนั้นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกบุคเคาเหล่านั้นเป็นผู้สั่งสมบูรณ์ไว้ดีแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดในมัชฌิมชนบทเป็นผู้มีสติมีปัญญาเนี่ยนะก็อาหารก็สมบูรณ์บ้านเมืองก็ไม่วุ่นวายเนี่ยนะ กิเลสเป็นต้นก็ไม่กลุ่มรุมทั้นเขาก็ฝักใฝ่ในการตรัสรู้ฝักใฝ่ในความพ้นทุกข์อยู่แล้วแล้วเขาก็สละชีวิตอุทิศแด่คำสอนที่เพื่อนำออกจากทุกข์อย่างแท้จริงอันนี้ก็คำว่าเอวเมสุตังนยะที่หนึ่งแปลว่าคำสอนอันนี้เนี่ยเป็นพุทธวิสัยจริงๆเป็นพุทธวิสัยจริงๆมันข้าพเจ้าฟังมาก็ฟังมาด้วยอาการอย่างหนึ่งเท่านั้นเห็นไห ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะฟังแล้วรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้เท่าพระพุทธเจ้าไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นอันเอวเมสุตังข้อหนึ่งแปลเป็นการออกตัวของพระอานุนท่านออกตัวว่าไม่ใช่ว่าท่านรู้ไปทุกทุกเรื่องนะอันนี้ไหนที่หนึ่งในที่สองบอกว่าพระเถระเมื่อเปลื้องตนว่าเราไม่ใช่พระสยามภูพระสูตรนี้เราไม่ได้ทําให้แจ้งจึงแสดงไขพระสูตรนี้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยได้สดับบทแล้วอย่างนี้คือแม้เราก็ได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ นนะท่านก็บอกว่าเออเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้านะย้อนออทวนย้อนอีกนิดหนึ่งว่าพระพุทธพจน์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เป็นอจินไตจ่จริงจริงเนะแล้วท่านก็ออกตัวว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระสัพพันยูนะข้าพเจ้าได้ฟังมาส่วนหนึ่งเท่านั้นบทอย่างนี้ขณะเดียวกันบางทีเอ้แล้วพระอานุ์จะจํามาหมดหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดสงสัยในพระอานุนเองแล้วท่านมีความสามารถแค่ไหนจึงมาจําคําสอนอย่างนี้ได้ พันในหน้าสิบเจดย่อหน้าข้างล่างบอกว่าด้วยเอวังสัพมีอวัธรณะเป็นอัตพระเทระเมื่อจะแสดงกาลังการทรงจําของตนโดยสมควรแก่ภาวะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสรรเสริญไว้อย่างนี้คือท่านบอกถึงความสามารถของพระอานนท์นะพระอานนท์เนี่ยมีความสามารถพระพุทธเจ้ายัางชมเลยที่พระองค์ให้เอตัคะหําแหน่งนะเอตทัทคะมากประเพื่อนคือพระอานนท์เาเรียกว่าเลิศเลิศก็คือเอตตะ น, นะเอตทัทคะเนี่ยประกาศถึงว่าโอ้สุดยอดของเรื่องนั้นแล้วที่บอกว่าพระอ น, นุนี้เป็นเลิศของพิสูตผู้เป็นพหูสูตรใครจะได้ยินได้ฟังเท่ากับพระอ น, น, นอุนนะท่านจึงเป็นเลิศในทางพหูสูตรแล้วก็เป็นผู้เลิศทางคติคติคือมีปัญญามากคิดอะไรเร็วเห็นไหมมองมองปั๊บทะลุปรุโปร่งหมดเลยเนี่ยคือเอตทัทคะของท่านคติก็คือหมายว่าที่ไปอะนะแต่หมายถึงปัญญาที่รู้ความเป็นไปได้อย่าง ตลอดสายพระนนนี้เป็นผู้มีสติและลึกได้หมดเลยเนี่ยนะท่านเป็นคนพูดแบบภาษาไทยว่าจำแม่นมากไม่มีคาว่าเพี้ยนแม้แต่บทเดียวอักขระเดียวไม่มีอันนี้ด้วยอนุภาพของสติแล้วท่านมีทิติมีปัญญาเป็นเครื่องทรงจงและท่านเป็นพุทธอุปถากนะอุปถาที่คิดง่ายๆว่าวท่านเดินรอบพระคันธกุตีวันละสิบรอบกลางวันเก้ารอบกลางคืนเก้ารอบ ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดเนี่ยนะท่านบอกว่าท่านเนี่ยติดตามพระพุทธเจ้าแบบเงาไม่ห่างตัวเนี่ยนะแบบเงาไม่ห่างตัวเนี่ยยีปีนะยีปีเต็มเลยนะแต่ก่อนหน้านั้นถ้าพระพิสุรภูมอื่นมาอุปถักต์ท่านก็ออกไปก่อนถ้าไม่มีใครอุปถักต์ท่านก็เข้าอุปถักต์แต่หลังจากประมาณ25ปีสุดท้ายเนี่ยท่านติดตามเหมือนเงาติดตามตัวอย่างนั้นแหละ ท่านจึงได้เอตัทธาคะห้าอย่าง น, นะฟังก็มากความรู้ความเข้าใจก็ทะลุโปร่ปรงหมด น, นะมีสติอย่างแม่นยำแล้วก็ระลึกได้หมดอุปถาคอย่างดีเยี่ยมอันนี้เป็นคําที่พระพุทธเจ้าแต่งตั้งว่าเป็นเอตัทธาคะห้าอย่างขณะเดียวกันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้สรรเสริญท่านทอาน์นว่อย่างนี้ว่าท่านอานนี้เป็นผู้ฉลาดในอัตถะเป็นผู้ฉลาดในธรรมะเป็นผู้ฉลาดในพยัญชนะเป็นผู้ฉลาดในนิรุตคือภาษา เป็นผู้ฉลาดในอักขระเบื้องต้นและเบื้องปลายคือคําว่าอักขะระเบื้องต้นเบื้องปลายหมายว่าพระนรนได้ยินหนึ่งคำปั๊บท่านรู้เลยว่าจบที่ไหนขึ้นคำนี้เรื่องนี้ต้องจบที่ไหนแม้ได้ยินคําตรงกลางนี่รู้เลยว่าหัวท้ายของเรื่องนี้คืออะไรหรือได้ยินคําสุดท้ายปั๊บเนี่ยนะหมายความว่าย้อนกลับไปได้หมดเลยท่านท่านความสามารถท่านขนาดนั้นเรียกว่าฉลาดในอักขะระเบื้องต้นและเบื้องปลายหลุดออกมาหนึ่งคำเนี่ยท่านรู้เลยว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังของเรื่องนั้นอ่ะทั้งหมดเนี่ยคืออะไร ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะที่ที่พระนรนบอกว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้เหตุผลเพื่อต้องการให้เหล่าสัตว์เกิดความประสงค์จะฟังว่าเราได้ฟังมาแล้วอย่างนี้และพระสูตรนี้แหละว่าโดยอัฏฐหรือพยัญชนะไม่หย่อนไม่ยิ่งกว่ากันเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่พึงเห็นโดยประการอื่นบทว่าอัญถาคือโดยประการอื่นจากอาการที่ได้ฟังมาแล้วเฉพาะพระภาคของพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่ไม่ใช่โดยประการอื่นจากอาการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วเครื่องหมายคำว่าพระอนอนท่านบอกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าประสงค์จะให้ให้รับรู้ให้ได้ยินได้ฟังข้าพเจ้ารับมาโดยครบถ้วนสมบูรณ์หมดที่อะนะคือพระองค์รู้อยู่แล้วว่าพระอนนท์เนี่ยคือผู้ที่เป็นกำลัง ที่จะรักษาพระพุทธพจน์รักษาพระพุทธศาสนาต่อจากพระองค์ต่อไปเนี่ยพระองค์รู้อยู่แล้วพราะสิ่งใดที่พระองค์ประสงค์จะสื่อให้พระอ น, นุลได้ยินได้ฟังรับทราบเนี่ยพระองค์ถ่ายทอดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และพระอ น, นุลก็รับได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่เลือนแม้แต่อักษระเดียวว่างั้นนะไม่เลือนแม้กระทั่งโอ้เป็นต้นเนี่ยไม่มีลือนเ้ยหรือคําว่าหนอเนี่ยน่าจะเลือนไง อโหวาตะโกหนอเป็นต้นเนี่ยไม่มีคำว่าโอ้คาว่าหนอคาว่าอะไรไม่มีหลงแม้กระทั่งอะไรนะประโยคที่เรียกว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยท่านจาได้หมดเลยไม่มีตกหล่นแม้แต่นิดเดียวสิ่งใดที่พระองค์ประสงค์สือให้พระองค์เนี่ยพระ น, นรับมาหมดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเทสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมีอนุภาพเป็นอจินไตยเทสนานั้นไม่มีใครอาจรู้ได้โดยอาการทั้งปวง คือคนที่เข้าใจพุทธพจน์ได้อย่างทะลุปรุโปร่ปรงสิ้นเชิงรู้เท่าพระพุทธเจ้าคนนั้นก็คือพระพุทธเจ้าแต่ตัวบทตัวพยัญชนะตัวสื่อที่พระพุทธเจ้าสื่อม า, พ, า, นนบบาพระนลบอกว่าข้าพเจ้ารับมาหมดเลยไม่มีคําว่าผิดเพี้ยนไม่มีคําว่าผิดพลาดอันนี้ประกาศถึงกําลังแห่งการทรงจําคืออาการที่ไม่ผิดพลาดจากอาการที่ได้ฟังมาแล้วอันนี้ก็ประกาศถึงความสามารถของพระนลจากคําว่า จริงขยายคําว่าอย่างนี้นะเอวังอะ่ะอย่างนี้เอวัมเมสุตังอะ่ะคำว่าเอวัมเมอ่ะนะเอวังตัวนั้นเนี่ยแปลว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็คือในยะที่หนึ่งคือแบ่งเป็นกลุ่มสามกลุ่มใหญ่ใหญ่หบอกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ามีอนุภาพเป็นอจินไตยใครจะไปรู้พุทธพจน์ได้โดยประการทั้งปวงอย่างที่สองท่านก็เป็นการออกตัวว่าท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้านะอย่างที่สท่านประกาศถึงว่าท่านมีความสามารถ ในการรับในการทรงจําคําสอนโดยอักขระพยัญชนะไม่มีคําว่าผิดเพี้ยนเลยจากพระพุทธพจน์ทีนี้มาดูว่าทําไมพระอานนท์เนี่ยนะจึงกล่าวเอาคําของตัวเองเป็ น, ปนคํานําหน้าพระพุทธพจน์ที่ไหนก็มีแต่เอวเมสุตังข้าพาเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้เป็นคํานําพระพุทธพจน์ไปหมดเลยนะแทนที่จะเอาพระพุทธพจน์ขึ้นมาทําไมต้องเอาคําพระอานนท์ขึ้นมาก่อน กลายมาเป็นคํานําของพระพุทธพจน์เนี่ยนะเป็นเป็นบทนําของพระพุทธพจน์ทั้งหมดเลยนะเพราะอะไรเอ่อตรงนี้บอกนิดหนึ่งว่าขอมาจะไม่อธิบายตามลําดับหน้านะถ้าเรียนตามลําดับหน้ายอ ม, มเลยเล่มนี้ปีหนึ่งพอดีจบตามลําดับบรรทัดไปว่าไปทุกคำเนี่ยนะก็คงโน่นนะพบกันในปีหน้านอนะนั่งฟังอย่างเดียวเนี่แหละไม่ต้องทําอะไรละมันก็จะรวบรัดนะตรงไหนรวบรัดได้ก็รวบไป <c oughs> ไปดูหน้าสิบเจ็ดนี่ยนะจะเห็นอย่างหนึ่งขอโทษพูดถึงความสามารถของพระอ น, นุนเนี่ยนะในการทรงจำอัฏถะและพยัญชนะได้ทั้งหมดแต่ตั้งคนถามว่าทำไมท่านจึงจำพยัญชนะได้หมด ทำไมท่านจึงพยัญชนะที่ท่านจำเนี่ยท่านไร้ครวนเนื้อหาได้ทั้งหมดเนี่ยถามว่าเพราะอะไรเพราะอะไรไปดูหน้าหน้า24โดยรวบยอ่อเนี่ยนะรวบยอ่อว่าความที่พระอานนต์เนี่ยนะฟังฟังแล้วอะ่ะทรงจำพยัญชนะได้หมดเนี่ยก็เพราะท่านมีสติแล้วปัญญาเนี่ยเป็นประธาน ตัวสติที่มีปัญญาเป็นประธานทำให้จำได้ทุกคำไม่มีคำว่าเลอะเลือนของเราให้มาได้ยินทุกคำนี้ใช่ได้แล้วนะเอาได้ยินก่อนนะไม่ต้องพูดถึงจำมนะให้ได้ยินทุกคำก่อนก็แจวแ๋วละไม่ใช่นั่งฟังเทศไปด้วยนั่งคิดเรื่องอื่นไปด้วยหมดเวลาพร้อมกันพอดีอย่างเงี้ยนะแต่ถ้ายางเงี้ยไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีสตินะแต่ถ้ามีสติก็คือจะเก็บได้ทุกคาหมดเลยแล้วก็เพราะมีปัญญาเป็นประธาน แล้วท ำ, ทำไมท่านจึงเข้าใจอย่างพลุโปร่งในในบทแต่และบทแต่และบทแล้วบทเนี่ยนะก็เพราะว่าท่านมีปัญญาโดยที่มีสติเป็นประธานคิดง่ายๆว่าถ้าถ้ามีสติแล้วให้ปัญญาเป็นหัวหน้านะจะจำได้หมดถ้ามีปัญญาแล้วมีสติเป็นหัวหน้าจะเข้าใจเนื้อหาอย่างตลอดสาย เรียว่าเปลี่ยนกันเป็นประธานน่ะนะจริงๆก็สติของพระนนก็เป็นสตินซีใช่ปัญญาก็เป็นปัญญินซีสติก็เป็นสติพละปัญญาก็เป็นปัญญาพละเนื่องจากว่าทั้งพะละอินทรีย์เหล่านี้แต่ละอย่างก็เป็นใหญ่ความที่ท่านสมบูรณ์ทั้งสติทั้งปัญญาเนี่ยท่านจึงจาอัฏฐ ะ, อะขออภัยจำพยัญชนะและเข้าใจเนื้อหาอัฏฐะได้อย่างทะลุปโปร่ป ง, งหมดเลย อันนี้เพราะความที่ท่านมีสติและมีปัญญานั่นแหละเพราะความที่ท่านเนี่ยนะเป็นผู้ที่แทงตลอดอัฏฐะด้วยอำนาจสติแทงตลอดอัฏฐะด้วยอานาจปัญญาทรงจาพยัญชนะทั้งหมดด้วยอานาจของสติท่านจึงสำเร็จความเป็นธรรมพันดาคาริกแปลว่าผู้ดูแลรักษาพระปริยติสัตธรรมของพระพุทธเจ้า พูดอย่างนี้มีโยมคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่ชอบฟังธรรมเลยแต่เขาเขาพูดตําหนิพระอนนท์ว่าเห็นไหมพระอนนท์เนี่ยนะมัวแ ต, แ ต, แต่เรียนมากฟังมากเลยไม่ได้บรรลุซากทีหนึ่งว่ากั้นแต่โยมคนนี้นั่งปอนวันหนึ่งถักแต่ผ้าไหมผักถักไหมพรเหมอือนนะไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่หรอกล้างถ้วยล้างชามไปวันวันหนึ่งไม่ยไ ม, ไม่ไม่เรียนมากกลัวตัวเองจบับบรรลุยากเหมือนพระอนนท์ว่ากั้น พระนนนท์นี่บรรลุเมื่อสองพกว่าปีแล้วใช่ไหมแต่โยมคนที่พูดนี่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่เลย <Okay. S 1> แล้วคิดว่าดูท่าจะอยู่อีกยาวพระพุทธเจ้าองค์หน้าไม่รู้จะบรรลุหรือเปล่าไม่รู้จากคําพูดที่ตัวเองพูดเนี่ยนะเพราะไม่ได้บรรลุหรอกเพราะว่าไปอริย ป, ปวารเรียบร้อยแล้วเไปว่ารายพระอนนท์ไว้เรียบร้อยแล้วคนนี้จะบรรลุยากมากะเพราะไปว่ารายพระอนนท์ว่าพระอนนท์นี่มัวแต่เรียนมากฟังมากนั่นแหละเลยไม่ได้บรรลุสักทีหนึ่งคำเนี่ยเสียหาย นะเสียหายมากบรร ล, ลุช้าแน่นอนคนนี้ไม่ต้องห่วงเนะพราะทําไมก็พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนโอ้ยไปหาทำาํำไมสมณะโลนโพธิยามท่านได้โดยยากคํานั้นเนี่ยท่านจะต้องไปหลงทางตั้งหปีก็คือต้องคิดอะไรที่มันยากเอาไว้ก่อนเนี่ยนะง่ายๆไม่เอาเอายากยา ก, ยากไว้ก่อนนั่นแหละนคนที่เข้าใจอะไรผิดพลาดเนี่ยนะมันกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฐิก็จะตามด้วยมิจฉาวาจาการตําหนิพระอริยมีโทษมาก แต่ว่าอันนี้พูดถึงว่าพระนนทเนี่ยท่านมีสติมีปัญญาในการทรงจำอัฏฐะและพยัญชนะความสามารถของท่านเ็าเรียกว่าเอนตัวลงนอนแล้วบรรลุได้อะใครทำได้บ้างอะเอเหยียดตัวลงนอนเนี่ยนะหลังยังไม่ถึงอเอหลังยังไม่ถึงพื้นหัวไม่ถึงหมอนบรรลุเลยเนี่ยนะของเราทําได้ไมล่ะเนี่ยนะท่านท่านเก่งขนาดนั้นเนี่ยนะปรินิพานก็บนอากาศด้วยเนี่ยนะเหาะปรินิพานเลยเหมนกัน ใครไฟลุกท่วมไม่ต้องใครหาฟืนมาให้ลำบากอะไรท่านมีความสามารถขนาดนั้นพระอนุนี้สาเร็จเป็นธรรมพันดาคาทิกเจ้าของเรือนคลังรักษาพระธรรมรัตนะเป็นการตามรักษาคลังพระธรรมพระธรรมที่สมบูรณ์ด้วยอัฏฐะเลพยัญชนะที่ท่านทำได้อย่างี้เพราะความสามารถของสติและปัญญาถ้าตั้งคำถามว่า คนที่สามารถทรงจําพยัญชนะได้เนี่ยเพราะอะไรรวบยอดเลยนะเพราะเขาไม่ฟุ้งซ่านคิดง่ายๆว่าวที่เขาจําแม่นมากเนี่ยเพราะเขาไม่ฟุ้งซ่านคนฟุ้งซ่านคือฟังเรื่องเดียวเนี่ยแต่ใจเหม่อลอยได้ยินอยู่แต่ว่าเหม่อลอยอันนี้เรียกว่าฟาุ้งซ่านแต่พระนอนเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านแล้วท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ตั้งใจฟังธรรมจริงๆแล้วท่านเป็นผู้ที่บูชาสัตว์บุรุษ คือบูชาพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าเนี่ยนะแล้วท่านเป็นคนที่ขยันมากเป็นคนที่ประโยชน์ค่ดีเป็นคนดีจริงๆสรุปว่าท่านเป็นคนดีมากภาพเพียรพยายามอย่างแรงกล้าคบพระพุทธเจ้าผู้เป็นสุดยอดของสัตว์บุรุษแล้วเข้าไปนั่งใกล้ฟังธรมความไม่ฟุ้งซ่านของท่านทำให้ท่านจำพยายชนะได้ทั้งหมดและตั้งคำถามว่าทาไมท่านเข้าใจเนื้อหาของพระธรรมได้อย่างทลุ ป, ปรุปรง ก็เพราะท่านมีโยนิโสมนสิการท่านไข้ครวนตามคำสอนทั้งหมดที่ท่านไข้ครวนอย่างนั้นได้เพราะอะไรเพราะท่านมีอัตตะสัมมาปนิธิมีการตั้งความปรารถนาไว้ถูกต้องแล้วท่านตั้งความปรารถนาถูกต้องได้เพราะอะไรเพราะท่านมีปุเพกะตะปุญญาตาท่านเป็นผู้มีสัง่ง เ, เป็นผู้สั่งสมบุญไว้แล้วเมื่อแสนกับที่ท่านสั่งสมบุญเพราะอะไรเพราะท่านอาศยะดี เพราะท่านเป็นผู้ที่มีเนคขมัตยาสัยอโลพัทยาสัยอโทสัตยาสัยอโมหัตยาสัยและมีเนคขมัทยาสัยเป็นผู้ที่มีอัธยาสัยปรารถนาวิวัตะปรารถนาความพ้นทุกข์อัธยาสัยอันนี้นี่แหละทำให้ท่านสั่งสมบุญเอาไว้เป็นอันมากที่เรียกว่าปุเพกะตปุญญตาให้ท่านสั่งสมบุญเป็นอันมากที่ท่านสั่งสมบุญได้อย่างนั้นก็เพราะท่านมีตั้งมีความปรารถนาที่ ที่ถูกต้องปรารถนาเพื่ออะไรปรารถนาเพื่อเป็นพุทธอุปถาเป็นต้นเนี่ยนะตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้ยินได้ฟังพระธรรมคําคสอนแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่ใคร้ควรวญคําสอนตามและลึกนึกถึงคําสอนอยู่เสมอท่านจึงเข้าใจอัตถะได้อย่างทลุปร่ปปรงเนี่ยนะเพราะท่านขบคิดพระธรรมธรรมะทั้งหมดที่ท่านได้ยินเนี่ยจะไม่มีคําว่าผ่างะนะแปลเป็น แปลง่ายๆว่าน้ำทุกแก้วผ่านเครื่องกรองชั้นเลิศมาแล้วชั้นใดพระธรรมทุกสูตรก็เหมือนกับน้ำเนี่ยพระนน์ก็เหมือนกับเครื่องกรองที่กรองพระธรรมทุกทุกอย่างเนี่ยนะแล้วพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมะที่ดีจริงๆธรรมะที่ดีจริงแล้วเครื่องกรองที่ดีจริงๆเนี่ยมันจะเข้ากันได้ขนาดไหนนะ <c oughs> คพูดทั้งหมดนี้เนี่ยที่บอกว่าพระนน์เนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติและ สัมปชัญญะเนี่ยนะการที่ท่านออกตัวแบบนี้เนี่ยเนื่องจากท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นต้นขณะเดียวกันท่านก็ต้องการให้ผู้อื่นนี้เป็นบุคคลที่มีศรัทธาเช่นเดียวกับท่านท่านก็ปรารถนาจะให้ผู้อื่นนั้นมีศรัทธาในหน้า28กล่าวถึงว่าพระนลเนี่ยนะพูดคำว่าเอวเมสตังเนี่ยเพื่อกาจัดความเสียหาย ของตัวเองออกไปเขาเรียกว่าก้าล่วงภูมิของอาศัตบุรุษอาศัต ร, รูดเนี่ยนะเป็นพวกที่ปล้นคําสอนของพระพุทธเจ้าอ่านคําสอนมาปฏิบัติตามคําสอนก็กล่าวตูหลอกลวงคนอื่นว่าเป็นของตนเว้นแต่ตรงมิจฉาทิฐินี้เชื่อว่าเป็นของตนจริงๆแต่ตรงสัมมาทิฏฐิที่เป็นคําสอนเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าอาศัต ร, รุษทั้งหลายก็ปล้นเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของตน แล้วเอาความเห็นผิดๆของตัวเองเนี่ยใส่ลงไปว่าเป็นของพระพุทธเจ้านั่นคือลักษณะของอาสัตบุรุษแต่พระอานนท์ไม่เป็นอย่างนั้นท่านปฏิญาณว่าท่านเป็นสาวกและท่านก็เป็นสาวกจริงๆนะคือกิจอันใดที่สาวกทำพระอนน์ก็ทํากิจเหล่านั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์พระอนน์นี่ก้าวล่วงอขอไปก้าลงสู่ภูมิของสัตบุรุษอันหนึ่งชื่อว่าย่อมทําจิตให้ออกจากอสสัตธรรม อาสัต ธ, ธรรมก็คืออะไรมายาสาไทยอิจฉาริษยาเป็นต้นเนี่ยนะท่านออกจากอาสัต ธ, ธรรมเหล่านั้นให้จิตของท่านดํารงมั่นอยู่ในพระสัต ธ, ธรรมสัต ธ, ธรรมเจ็ก็คืออะไรสัต ธ, ธรรมเจ็ดนะสัท ธ, ธาศีลหิริโอตตาปะสติวิริยะปัญญาเนี่ยนะพวกนี้เรียกว่าสัต ธ, ธรรมจิตของพระนรนท์เนี่ยท่านตั้งอยู่ในสัต ธ, ธรรม พระเถระเมื่อจะแสดงว่าสูตรนี้เราฟังมาแล้วทั้งสิ้นทั้งเป็นพระดำรัดของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเองชื่อว่าปลดเปลื้องตนอ้างพระศาสดายึดมั่นพระดำรัดของพระชินนเจ้าให้เป็นแบบแผนธรรมปฏิสถานอยู่ตรงนี้ท่านจะว่ายึดมั่นในพระดำรัดเลยนะยึดถือเป็นลักษณะของผู้ที่เรียกว่าธรมรมสารนังคัจฉามิที่ ชัดเจนใช่ไหมบางคนนี่บอ ว, วปล่อยวางหมดเลยพระธรรมก็จำไม่ได้ปล่อยหมดดีว่าปล่อยถ้าปล่อยชีวิตเมื่อไหรน่นี่ไปอาบายน่ถ้าปล่อยขนาดนั้นนะนะเพราะตรงนี้เนี่ยคำว่าผู้ที่มีธรรมะเป็นสารณะเนี่ยยึดถือคำสอนเอาไว้อย่างแรงกล้าทุกอย่างต้องเป็นไปตามคำสอนเพราะเพราะเชื่อมั่นว่าคำสอนนำเขาออกจากจากทุกอย่างแท้จริงพระนนท์เนี่ยท่านเป็นอย่างนั้น ท่านอ้างพระศาสดาแล้วก็ยึดมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักถือเอาคําสอนเป็นแบบเป็นแผนในการปฏิบัติทั้งหมดเลยอีกอย่างหนึ่งเมื่อไม่ปฏิญาณว่าตนเนี่ยให้เกิดขึ้นเองด้วยคําว่าเอวเมสุตังท่านนั้นไม่อวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยสร้างขึ้นนะพระธรรมเหล่านี้เมื่อเปิดเผยคําที่ฟังมาก่อนจึงคิดว่าคํานี้เราได้รับเฉพา ะ, ะได้รับมาเฉพาะพระภาคของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น มาดูคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ก ล, กล้าในเวสารัชยานสี่เวสารัชยานสี่ก็คือหนึ่งสัมมาสัมพุทธปฏิญญาขีณาสวะปฏิญญานิยานิกธรรมเทศนาและก็อันตรายกธรรมเทศนาเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมียานที่เรียกว่าเวสารัชยานสี่ทรงทศพลายานสิบเนี่ยนะทศพลท่าศักด์และว่าสิพภะละก็คือกําลังยานที่เป็นกําลังของพระพุทธเจ้า สิบประการมีฐานาฐานยานเป็นต้นผู้ดํารงอยู่ในฐานะผู้องค์อาจผู้บลือศีหนาผู้สูงสุดกว่าสรรพสัตว์ผู้เป็นธรรมนิสอนคือใหญ่ที่สุดในธรรมเป็นธรรมราชาผู้เป็นอธิบดีในธรรมผู้เป็นประทีปแห่งพระธรรมผู้เป็นธรรมสารณะคือพระพุทธเจ้ายึดถือธรรมะเป็นที่พึ่งจริงๆเป็นผู้ที่เคารพพระธรรมมากผู้เป็นจักรพัฒแห่งพระสัทธรรมอันประเสริฐ ผู้ตรัสรู้โดยชอบคือสัมมาสัมพุท ธ, ธะเนี่ยนะตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองในข้อนี้เราไม่ควรทำความสงสัยหรือทำความเคลือบแคลงในอัฏฐธรรมะบทหรือพยัญชนะคำที่พระนน์บอกว่าเอวเมสุตังเนี่ยเป็นการทำความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาในธรรมนี้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงให้พินาศคือทาลายอสัตถิยะออกไป เพื่อให้เกิดศรัทธาสัมปทานั้นคำว่าเอวเมสุตังเนี่ยนะที่ที่กล่าวเป็นคาถาว่าวินาสยติเป็นต้นสาวกของพระโคโดมเมื่อกล่าวคําอย่างนี้ว่าเอวเมสุตังย่อมชื่อว่ายังความไม่มีศรัทธาให้พิรุณยังศรัทธาให้เจริญขึ้นในพระศาสนาเพราะผู้ที่ไม่มีศรัทธาในพระศาสนา เมื่อไม่มีศรัทธาก็เท่ากับไม่มีสุตะไม่มีคุณธรรมอย่างอื่นอีกมากมายท่านพรานร น, นี้กล่าวคำว่าเอวเมสุตังเพื่อให้ศรัทธานี้เกิดขึ้นเมื่อมีศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาก็นั่งใกล้มือนั่งใกลก้กงเงียสดลงฟังจะได้ทรงจำคำสอนไปโยนิโสมนัสิการมีการไปปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้เป็นต้นนั่นเองทีนี้คาว่าเอกังสมยังพะควานะเนี่ย เอวเมสุตังสดเสร็จแล้วใช่ไหมเอกังสมายังพักวาเอวเมสุตังแปลว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้เอกังสมายังพักวาก็คือสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสมายังพักวาสมยังก็แปลว่าเอกังสมายังแปลว่าสมัยหนึ่งถามว่าพระสูตรนี้เนี่ยอยู่สมัยไหนเนื้อหาของพระสูตรนี้เกิดที่สมัยไหนสมัยนั้นเป็นสมัยที่พระองค์แรกตรัสรู้ใหม่ๆ แรกตรัสรู้ถือว่าใหม่มากนะวันที่เจของการตรัสรู้วันที่7ของการตรัสรูน้นี้ถือว่าตรัสรู้ใหม่ตอนนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยประทับอยู่สํารานในปัจจุบันคือเรียกว่าสวยวิมุติสุขใช่ไหมสมอยวิมุติสุ ข, ม ส, มม ส, ขสมัยที่พระองค์บําเพ็ญกิจด้วยพระปัญญาคือพิจารณาปฏิจจสมุปบาทพระองค์นี้ตอนที่บําเพ็ญกิจของพระองค์นี้สําเร็จเสร็จใหม่ๆ เป็นการนิ่งแบบพระอริยะเป็นสมัยที่พระองค์นิ่งแบบพระอริยะนิ่งเพื่อเจบพิจารณาปฏิจจสมุปบาท อ, อันนี้ถือว่าเอกังสมัยยังสมัยหนึ่งนะคือสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆสมัยในการพิจารณาพระธรรมของพระองค์ส่วนคำว่าพักวานี่นะก็น่าเสียดายเพิ่งดูนาฬิกามกี้เนี่ยแปลว่าพักก่อนพัวานี้แปลว่าเรียนตอนบ่าย สำหรับตอนเช้านี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน